จเจริญพรทุกท่านนี่เป็นครั้งแรกนะที่หลวงพ่อมาเทศที่นี่ความจริงต้องเรียกหลวงพี่เพราะส่วนใหญ่เป็นน้องๆที่ยังทำงานอยู่เนี่ยที่จะแก่กว่าหลวงพ่อนี่ถ้าไม่มีแล้วอยู่เป็นพวกต้องระดับพวกบอดพวกอะไรที่ไม่มีอายุกำหนดไว้ว่า60เิเกษียณ นอกนั้นต้องถือว่าเด็กกว่าไม่ได้เข้ามาทีโทีสิบกว่าปีปตั้งแต่ไปบวชไม่ได้เข้ามาที่นี่เลยไปมารอบโลกแล้วทเทศข้างนอกประมาณ5้าอยกว่าครั้งมั้งนี่เป็นครั้งแรกที่มาที่นี่เห็นหน้าพวกเรายัางเหลืออยู่ก็ดีใจเหมือนกันได้เห็นสิ่งที่เคยเห็น คนที่เคยเห็นสิ่งที่เคยเห็นก็เปลี่ยนไปคนที่เคยเห็นก็แก่ขึ้นเป็นลาดับลาดับไม่นานก็คงไม่ได้เห็นกันหรอกพวกเราก็ได้ฟังธรรมะ ก, กันมาเป็นระยะยระยะนะแต่ในแต่ละนิมนต์พระมาเทศสมัยหลวงพ่ออยู่ก็มีองค์โน้นองค์นี้มาก็เป็นประโยชน์ แต่บางทีเราก็สับสนเหมือนกันว่านิมนตรามาเทศแต่และ ว, วงสอนก็ไม่เหมือนกันเวลาเราจะเอาธรรมะไปปฏิบัติจริงก็ไล้ยากไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนแท้จริงแล้วการปฏิบัติน่ะมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกการปฏิบัติจริงๆเบื้องต้นต้องรู้สึกตัวให้เป็นต้องมีสติก่อนขาดสติตัวเดียวนศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มี นี่พวกเราไม่ค่อยได้เรียนหลักของการปฏิบัติสิ่งที่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่สอนกันมันจะเป็นเรื่องรูปแบบของการปฏิบัติให้หายใจแบบนี้ให้นั่งแบบนี้ให้เดินแบบนี้ให้วางตัวแบบนี้อันนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏออกมาภายนอกแท้จริงแล้วตัวสําคัญที่จะชี้ขาดว่าเราจะไปสู่ความพ้นทุกข์ได้หรือเปล่านี่อยู่ที่ใจของเรา ใจของเราอยู่ในร่องรอยที่ถูกต้องการปฏิบัติจะใช้รูปแบบอะไรก็ไม่มีนัยยะเท่าไหร่หรอกรูปแบบที่แตกต่างกันมันเหมาะกับจริตนิสัยของคนที่แตกต่างกันเพราะพระุทธเจ้าสอนธรรมะไว้ตั้งมากมายไก่กองเพราะว่าคนมันมีจำนวนมากนิสัยคนไม่เหมือนกันท่านก็สอนธรรมะธรรมะแบบนี้เหมาะกับคนชนิดนี้ธรรมะแบบนี้เหมาะกับคนชนิดนี้ นี่พอพวกเราไปฟังธรรมะมันเลยหลากหลายมากนะแท้จริงแล้วธรรมะเพื่อการพัฒนาจิตใจของตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์ของคนคนหนึ่งเนี่ยไม่มากเท่าไหร่หรอกนะธรรมะแค่หยิบมือเดียวกำมือเดียวนะใบไม้ในป่าเนี่ยใบไม้ที่เราต้องใช้นะสี่ใบที่ในกำมือเรานี้คือเรียนเรื่องทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคมีเท่านี้เองแต่มันยากมากที่ใครคนใดคนหนึ่ง จะรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะสี่ข้อนี้เรื่องทุกข์สมุทยัยนิโรธมักนั้นเลยมันยากจนกระทั่งไม่ค่อยมีใครอยากสอนตอนหลวงพ่อออกสอนใหม่ๆสอนนะครูบาอาจารย์มางองค์ท่านอย่างทวงเอประโมทสอนยากไปสอนฆราวาดนะสอนให้มันทำทานถือศีลแค่นี้นก็ทำไม่ได้แล้วยังมาสอนอะไรธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์หลวงพ่อฟังท่านเตือน ก็ฟังนะแต่ไม่เชื่อทําไมไม่เชื่อเพราะหลวงพ่อภาวนา ม, มาตั้งแต่เป็นฆราวเพราวนาเป็นแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เจ็ดขวบไม่เคยเลิกเลยแล้วพบว่าฆราวาสก็ทําได้ถ้าฆราวาสมีโอกาสได้ฟังธทำธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมาไปเรียนจากครูบาอาจารย์หาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวหลวงปู่สิมหลวงพ่อพุทธเนี่ย รูบ า, าอาจารย์แต่และองค์แต่ละองค์สอนแล้วมันมาลงที่เดียวกันหมดเลยงั้นวันนี้เราลองมาฟังธรรมะนะวหลักของการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เปลือกของมันไม่ใช่รูปแบบของมันรูปแบบแต่ละควรต้องไปดูตัวเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานชนิดไหนนะการที่เราจะปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องรู้จักนะว่า เราจะต้องเจริญสิ่งที่เรียกว่าศีลและสิกขาเราจะต้องมีศีลทุกวันนี้ส่วนใหญ่เราก็รับศีลจะทําอะไรก็ขอศีลขอไปก็ขอไปอย่างนั้นเองนะแล้วขอแล้วก็รักษายากยิ่งฆราวาสเนี่ยจะถือศีลให้สะอาดหมดจดเนี่ยยากที่สุดเลยเพราะว่าชีวิตเรานะต้องต่อสู้ปากกัดตีนถีบไหนไนจะกัดไหนไนจะถีบมันก็ต้องกัดคนอื่นถีบคนอื่นใช่ไหม งั้นโอกาสจะถือศีล น, นะก็ลําบากเหมือนกันบางทีผู้ใหญ่ก็สั่งเรานะเขานั่งทํางานอยู่ก็จะรีบทํางานเขาสั่งเราเพราะว่าถ้าใครโทรมาให้บอกว่าไม่อยู่นะอะารเงี้ยก็ลำบากกับเราเหมือนกันนะใครเคยเจอไหมแบบนี้ที่ผู้ใหญ่สั่งมันมันต้องผิดศีล น, นะปลวกขึ้นบ้านจะทําไงอ่ะอุเบกขาให้ปลวกกินบ้านเหรอก็โง่อีกใช่ไหม เนี่ยเป็นคารวาสนะมันลําบากในการถือศีลแต่ว่าให้ตั้งใจไว้ก่อนจะถือได้ไม่ได้ก็ให้ตั้งใจถือไว้ก่อนตื่นเช้าขึ้นมานึกไว้เลยว่าเราจะมีศีล5้าเอาแค่นี้พอแล้วไม่ต้องศีลแดหรอกศีลแมากไปนะเป็นคารวาสก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวโลคกรเพาะกินนะถือศีล5้าให้ได้ในการจะถือศีลเนี่ยมันยากโดยเฉพาะข้อสีแค่เราพูดเล่นพูดเลยนะศีลก็ดังพลอยละ งั้วิธีการถือศีลเนี่ยมันไม่ใช่แค่การบังคับกายบังคับใจตัวเองไม่ให้ผิดศีลคนเราทําผิดศีลได้เพราะอะไรนะถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วการถือศีลจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการถือศีลมีประโยชน์มากนะถ้าเราไม่มีศีลสมาธิจะเสื่อมถ้าสมาธิเสื่อมการจเจริญปัญญาการจะเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจจะทําไม่ได้ถ้าไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจได้จะบรรลุมรรคผลไม่ได้ มื่อผลนิพพานมีจริงๆไม่ใช่ของหลอกเด็กอยู่ที่ว่าเราจะเป็นคนจริงพอสมควรเกี่ยวธรรมะหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนจริงพอเราก็เข้าถึงได้ในชีวิตนี้ไม่ใช่ต้องรอไปอีกเป็นแสนแสนชาติทาได้ทุกวันนี้ก็ยังทำได้อยู่ที่ว่าเราจริงแค่ไหนเนี่การจะรักษาศีล น, นะให้สังเกตให้ดีเราผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงำใจเราได้ อย่างความโกรธครอบงำใจเราได้เราก็ทำร้ายคนอื่นได้แกล้งไปทำร้ายทรัพย์สินเขาก็ได้ไปขโมยทรัพย์สินเขาก็ได้นะทำร้ายตัวเขาก็าผิดศีลข้อ1ทําทำร้ายทรัพย์สินเขาก็ผิดศีลข้อ2ทํทำร้ายคนที่เขารักก็ผิดศีลข้อสามใช่ไทำร้ายชื่อเสียงหรือคุณงามความดีของเขาใส่ร้ายป้ายสีเขาก็ผิดศีลข้อสี่นี่คือสมบัติที่แต่ละคนหวงแหน แล้วแต่ละคนเราหวงแหนสมบัติของเราเองคือเริ่มตั้งแต่ชีวิตร่างกายเราไม่อยากให้คนอื่นมาทําลายเราหวงแหนทรัพย์สมบัติหวงแหนลูกเมียสามีอะไรนี่เราหวงแนหนหวงแหนชื่อเสียงเกียตรติยศของเราไม่อยากให้ใครมาทําลายทุกคนก็รักตัวเองทั้งนั้นแต่ว่าเรากิเลสมันครอบงาใจนะก็ไปไปเบียดเบียนคนอื่นเขา ทำลายร่างกายเขาทำลายทรัพย์สินเขาทำลายสิ่งที่รักคนที่รักของเขาทำลายชื่อเสียงเกียรติยศของเขานทำลายคนอื่นไปสีข้อนะข้อสุดท้ายทำลายตัวเองกินเหล้าเมายาเนี่ยทำลายตัวเองื อ, อ, งอขาดสติพอขาดสติได้ตัวเดียวนะจะทำผิดศีลสีข้อแรกได้อย่างง่ายๆเลยการจะรักษาศีลเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรารู้ทันกิเลส ที่เกิดขึ้นที่ใจกิเลสจะไม่เกิดที่อื่นกิเลสเกิดที่เดียวคือเกิดที่ใจเรากิเลสมีนิดเดียวมี3ตัวเท่านั้นนะมีความโลภความโลภมันเป็นการดึงอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้เข้ามาหาตัวเราความโกรธก็คืออยากผลักสิ่งที่อยู่กับเรานี่ให้กระเด็นออกไปไกลความหลงนะคือความไม่รู้ตัวไม่รู้ผิดชอบชัว่วดีความหลังเลสงสัยในพระรัตนาตรายัยความฟุ้งซ่านอรพวกนี้ อยู่ในตระกูลความหลงกิเลสมีไม่มากมีโลภกร่นหลงเท่านั้นเองถ้าหากเรารู้ทันนะทุกคนรู้ทันได้อยู่แล้วพวกเราโกรธเป็นไหมโกรธเป็นใช่ไหมวันนี้โกรธหรื อ, อยังนะบางคนโกรธแล้ววันนีนะ้นั่งรถมารถติดงูงหงิดไหมงูงหงิดเนี้ยตระกูลโทสะนะหงิดตระกูลโทสะรีบมาตั้งเร็วๆนะแล้วก็คนอื่นมาแย่งนั่งข้างหน้า บางคนก็โกรธนะแค่นี้ก็โกรธแล้วจะเข้าห้องน้ําแย่งเงินเข้าก็โกรธแล้วความขัดใจนะมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เล็กๆน้อยๆจนโกรธอย่างรุนแรงไล่ฆ่ากันเพราเรารู้จักอยู่แล้วว่าความโกรธเป็นยังไงแต่เวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นนั้นเราละเลยที่จะรู้มันอยเวลาเราโกรธเราขับรถนะคนมาปาดหน้าเราเราโกรธเนี่ยเราจะไม่ย้อนมาดูว่าใจกําลังโกรธเราจะไปตูไอ้คนที่ทําให้เราโกรธไอ้คนที่ปาดหน้าเรา เราจะสนใจตัวนั้นเวลาเราได้ยินเสียงได้ยินคนมาดา่านแทนที่เราจะรู้ทันว่าใจกำลังโกรธเราจะไปสนใจไอ้คนนี้มันด่าเราเราจะไปสนใจคนอื่นนะเวลาหูได้ยินเสียงเวลาจมูกได้กลิ่นสมมติเราอยู่บ้านเราได้กลิ่นเน่าๆใจเราเครียดขึ้นมาตัวอะไรมาตายในบ้านแทนที่เราจะดูก่อนนะว่าใจกำลัง เศมองใจกำลังหงุดหงิดเราก็จะเที่ยวหาว่าตอนนี้มันเหม็นอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆแค่นี้เองถ้าเราจะสนใจที่จะรู้ใจตัวเองเราก็รู้ได้แต่เราละเลยเรามัวสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นเราละเลยที่จะสนใจตัวเองถ้าหากเราคอยหันกลับมาคอยสนใจจิตใจของเราเองบ้างน ะ, ะกิเลสมันจะครอบงำใจไม่ได้ลักษณะของกิเลสมันเกิดขึ้นได้ทีเพลอเท่านั้น ถ้าเไรเรามีสติเมื่ะนั้นกิเลสจะมีไม่ได้นี่เป็นกฎของธรรมะเป็นกฎของความจริงข้อนหนึ่งเลยเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจะไม่มีสติเมืนั้นต่อไปนี้ถ้ากิเลสอะไรเกิดที่ใจนะให้เรารู้ทันโกรธขึ้นมารู้ทันหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันอิจฉาให้มารู้ทันอิจฉาเป็นไหมอิจฉากังวลเป็นไหมกังวลอย่างตอนนี้ก็น่ากังวลใช่ไหม ปีนี้เราติดตัวแดงแล้วนะมันก็น่ากางังวลถ้า3ปีอะไรจะเกิดขึ้นนี่น่ากังวลมากขึ้นทุกปีทุกปนะีนี่พอเรากางังวลเราก็จะไปสนใจสิ่งอื่นก่อนทั้งๆ ท, ท, ที่งานแรกเลยนะที่เราควรจะจัดการเนี่ยคือใจของเราเวลาใจของเรามีโทสะมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะให้เรารีบย้อนมารู้ทันมันก่อนพอโทสะหายไปแล้วเนี่ยเราค่อยไปดูว่าเราจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ยังไง ถ้าใจเราไม่สบายใจเราเศร้าหมองอยู่แล้วนะสติปัญญาไม่เกิดหรอกแก้ปัญหายากทั้งๆ ท, ที่บางปัญหาเนี่ยแก้ง่ายๆนี่คนเวลาถูกกิเลสครอบงำใจนะบางทีมองปัญหาไม่ออกเรื่องง่ายทำยากยิ่งแก่ยิ่งปัญหาหนักขึ้นหนักขึ้นเคยเป็นไหมเคยเจอมบางบางอย่างในชีวิตเรานะเรื่องง่ายๆนิดเดียวเช่นเราไปเดินสะดุดขาใครสักคนนะแค่ขอโทษซะก็จบละ เราก็คิดมากนะไอคนนี้มันแกล้งสะดุดเราหรือเราสะดุดมันอะไรต่ออะไรนะเนี่ยปู่ของมันเคยมาด่าปู่ของเราไปโน่นเลยนะ <c ười> คิดมากไปหาทางทําอย่างโน้นหาทางทําอย่างนี้ทั้งที่เรื่องบางทีง่ายนิดเดียวที่จะจัดการหัวใจเรามั น, มนถูกกิเลสครอบไปก่อนแล้วมันทําให้ไม่สามารถมองอะไรได้ตรงตามความเป็นจริงเมื่อต่อไปนี้นะพวกเราฝึกไว้ ต่ไปไม่ว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นมาในใจเราเนี่ยก่อนที่เราจะไปจัดการคนอื่นให้เราดูใจของเราสะก่อนความโลภเกิดขึ้นนะอย่างเราไปเดินช้อปปิ้งเราเห็น iPhone 6ออกอีกและนะ้วเราอยากได้มี5เราอยากได้6กนะเราอยากได้เนี่ยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้ทันเลยใจมันโลภลเนี่ยความโลภเกิดขึ้นมาแล้วความโลภมันจะดับนะโดยอัตโนมัติ ถัดจากนั้นเราจะเหลือเหตุผลล้ว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นเรื่องของเหตุผลแล้วหรืออย่างเรามีลูกน้องทํางานไม่ดีเราโกรธเวลาโกรธขึ้นมาปุ๊บเรารู้ทันใจที่โกรธทันทีที่รู้ทันนะความโกรธมันจะดับคราวนี้เราจะมีความยุติธรรมแล้วเราจะเรียกลูกน้องมาด่าก็ได้นะดุก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทํำด้วยความโกรธมันทำด้วยเหตุผลแล้วอยากกินอยากกินเรารู้ทันใจที่อยากความอยากจะดับ เหลือแต่ความจําเป็นถ้าจําเป็นก็กินเพราะเราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลนะถ้าเราไม่ถูกกิเลสครอบงําใจไปซะก่อนการที่จะคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดที่ใจเราไม่ใช่เรื่องยากทุกคนรู้จักอยู่แล้วทุกคนรู้จักว่าโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้ว่าโลภเป็นไงรู้ว่าฟุ้งซ่านเป็นยังไงรู้ว่าหดหู่เป็นยังไงรู้ว่าลังเลสงสัยเป็นยังไงต่อไปนี้แค่ว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทัน ถ้าพอเราดูทันเท่านี้เองกิเลสจะดับเมื่อกิเลสดับเราจะไม่มีแรงจูงใจให้ทำผิดศีลงั้นวิธีที่จะรักษาศีลนะไม่ต้องไปรักษาที่กายที่วาจาคนรักษาศีลไม่เป็นนะจะคอยควบคุมตัวเองจะคอยระวังกายจะเคลื่อนไหววาจาจะพูดจาอะไรคอยระวังระวังมากเครียดนะแต่ถ้าเรารักษาอยู่ที่จิตอันเดียวเท่านั้นเองจิตมันไม่ถูกกิเลสครอบเสีอย่างเดียวศีลมันมาโดยอัตโนมัติลนะ นะถ้ารู้หลักตัวนี้ ก, การรักษาศีลจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าเรามีศีลได้นะชีวิตเราจะดีขึ้นมันร่มเย็นเป็นสุขนะมันองอาจกล้าหาญอย่างทํางานนะเราทํางานนะเรามีโอกาสโกงเราไม่โกงนะเราไม่โกงเนะี่ยเราไม่กลัวใครเลยประธานกี่รุ่นมาเราก็ไม่กลัวนะแล้วเราไม่มีแผลเนี่ยศีลมันให้ความดีกับเราทําให้เราเข้มแข็งองอาจกล้าหาญทําให้สมาธิของเราดีขึ้นด้วย นีวิธีจะให้ฝึกตัวต่อไปนะอันแรกคือเรียนเรื่องทำยังไงให้มีศีลเพื่อมันเป็นพื้นฐานให้มีสมาธิที่ดีต่อไปคือเรื่องวิธีฝึกให้เกิดสมาธิทำยังไงสมาธิถึงจะเกิดหลวงพ่อเล่าให้ฟังสมัยยังมาทำงานที่ t ีโอทีทำงานครั้งแรกเลยอยู่กับผู้อำนวยการทำงานเป็นสตาฟฟของผู้อำนวยการบางทีต้องทำเอกสารส่งบอร์ดบ้างส่งรัฐมนตรีบ้างอะไรบ้าง อ่านหนังสือนี่เป็นตั้งๆเอกสารนี่เยอะมากเลยแต่อาศัยที่สมาธิของหลวงพ่อดนะีอ่านหนังสือจบปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าต้องทําอะไรนั่งหน้าขอมนะพิมพ์ออกมาได้เลยผู้ใหญ่ผู้มีการรองผู้มีการผู้ช่วยอะไรก็จะมายืนคุยกันอยู่รอบๆโต๊ะมารอเซ็นเนี่ยขนาดนี้นะเป็นแรงกดดันที่มหาศาลเลยถ้าพวกเราผู้ใหญ่มารอเซ็นแล้วมายืนจ้องอย่างนี้นะ มือไม้เราก็สั่นสิ่ไมมารอเซนถ้าไปรอที่อื่นนะเราจะทำงานง่ายกว่านี้แต่ว่าทำไมหลวงพ่อทางานได้ไม่สนใจท่านจะรอก็รอของท่านไปนะเราก็ทำงานของเราไปล่างออกมาทีเดียวก็เสร็จแล้วทำไมทำได้สมาธิสมาธิเราดีสมาธิเกิดจากอะไรอยู่ๆไม่เกิดหรอกทุกวันนี้เราได้ยินแต่คำว่าสมาธิสั้นสมาธิสั้นใช่ไหมแท้จริงสมาธิสั้นเสมอ สมาธิเกิดชั่วขณะแล้วก็ดับแล้วก็เกิดใหม่ชั่วขณะแล้วก็ดับมันเกิดทีละจุดทีละจุดทีละจุดแต่จุดนี้พอมันต่อกันทีๆขึ้นมามาเลยเหมือนที่เาเป็นเส้นยาวขึ้นมาได้สิ่งที่เราเห็นเป็นเส้นตรงเอาดินสอมาเส้นหนึ่งนะขีดลงไปเนี้ยปุ๊บมีเส้นขึ้นมาเอาแว่นขยายไปส่องจะเห็นมันเป็นจุดจุดจุดจุดนะมันมาต่อกันเวลาที่เราจะให้จิตมันตั้งมั่นอยู่ได้นานๆเนี่ยอาศัยความรู้สึกตัวเป็นจุดจุดนี้ก็อพอแล้ว วิธีการเนี่ยก็คือคอยรู้ทันเวลาใจของเรามานันหนีไปที่อื่นเนื้อตรงนี้บางทีก็ต้องมีเครื่องช่วยนะเราจะต้องซ้อมทุกวันแบ่งเวลาไว้สัก15นาทีอย่าเยอะถ้าเยอะมากแล้ววันต่อไปเราจะไม่ทำนะเอาวันหนึงสินาทีต่อไปมันก็เกยบขึ้นเป็น20นาทีได้นะแต่และ ว, วันเนี่ยว่ายพระสวดมนต์สักนิดหน่อยนะแล้วเวลาที่เหลือนะมาสังเกตใจของเราเอง จิตจะมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละถ้าใจเราวอกแวกวอกแวกเดี๋ยวหนีไปดูเดี๋ยวห น, ไวนีไปฟังเดี๋ยวหนีไปคิดเรื่องนอนคิดอดีตคิดอนาคตใจวิ่งตลอดเวลาใจก็ไม่มีสมาธิใจไม่อยู่กับปัจจุบันนะไม่รู้เนรู้ตัวอยู่ทําไงใจจะอยู่กับตัวเองได้มีสมาธิที่ดีเกิดขึ้นให้เราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งในขั้นฝึกหัดเนี่ยต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งถึงจะดี จะพุโทโธก็ได้นะท่องพุโทโธพุโทโธไปหรือรู้ลมหายใจไปก็ได้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมทำอะไรก็ได้เอาสอย่างหนึ่งที่สบายใจเคลดลับอยู่ที่ว่าต้องสบายใจแต่ว่าตัวนี้ต้องไม่ยั่วกิเลส น, นะถ้าด่าคนอื่นแล้วสบายใจอย่างนี้จะไม่เกิดสมาธิแต่อย่างเล่นไพ่สบายใจเต้นจัวนะ่วตารวจมายังไม่รู้เลยนะเพราะสมาธิดนะีอย่างนั้นมันก็พัฒนายาก เราต้องรู้จักเลือกด้วยเลือกอารมณ์ที่เราชอบนะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วก็เป็นอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลสเช่นเราอยู่กับลมหายใจหายใจออกมีความสุขหายใจเข้ามีความสุขนีหายใจไปถ้าคนไหนหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจไปคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินจงกรมไปตรงนี้แหละที่ทําให้พวกเราสับสนนะพวกเราสับสนเพราะเราไปเรียนจากอาจารย์ท่านนี้กับพาหายใจ ไปหาท่านนี้บอกให้พุโทโธไปหาท่านนี้บอกให้เดินไปหาท่านนี้บอกให้ดูท้องพ่องยุบนะียุ่งมากเลยนะยิ่งไปเรียนหลายอาจารย์เนี่ยจับอะไรไม่ได้เลยความจริงถ้าจับหลักได้นะเปลือกไม่สําคัญหรอกเปลือกก็ดูว่าเราถนัดอะไรเราหายใจแล้วมีความสุขเราก็ใช้ลมหายใจนรัหายใจเพื่ออะไรหายใจเพื่อรู้ถันใจของตัวเองเช่นเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปหายใจไปใจแอบไปคิดเรื่องอื่น พอใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บเรียกว่าเราไม่มีสมาธิแล้วใจวอกแวกไปแล้วให้เรารู้ทันว่าใจมันหลงไปแล้วใจมันเผลอไปคิดแล้วทันทีที่เรารู้ทันว่าใจไหลไปคิดนะใจที่ไหลไปคิดน่ะไหลไปด้วยอํานาจของความฟุ้งซ่านเป็นกิเลส ช, ชนิดหนึ่งเมื่อเรารู้ทันว่ากิเลสกําลังเกิดกิเลสจะดับอัตโนมัติจำไว้นะพวกเราอย่าดับกิเลสนะกิเลสเนี่ยถ้าเรารู้ทันเมื่อไหร่มันดับอัตโนมัติงั้นเราหายใจไปพุโทโธไปอะไรก็ได้ แล้วเวลาใจมันหนีไปคิดให้รู้ทันใจเนี่ยชอบหนีตลอดเวลานะเดี๋ยวจะพาให้พวกเราดูใจที่หนีไปคิดหลวงพ่อจะหยุดพูดสักชั่วครู่นะแล้ว่างที่หยุดพูดเนี่ยห้ามพวกเราคิดห้ามคิดนะอา้าวเดิมคิดไหมคิดต้องคิดนะอย่าฝึกให้ตัวเองคิดไม่เป็นเราไม่ได้ฝึกตัวเองให้กลายเป็นต้นไม้และก้อนหิน แต่ใจมันคิดนะีคนทั่วไปพอใจมันคิดนะมันจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจเราคิดปุ๊บเรารู้ว่าใจคิดนะเมื่อนั้นภาวะแห่งความตื่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสมาธิที่ว่าจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสมาธิเนี่ยมี2กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มแรกนี่ว่ามิจฉาสมาธิสมาธิาที่นั่งแล้วก็เห็นโน่นเห็นนี้ลืมตัวเองไปสมาธิอย่างนี้เคลิบเคลิ้ ม, ล, มลืมตัวเองเรียกว่าไม่มีสติ เรียกมิจฉาสมาธิสมาธิที่ดีเนี่ยนะเรียกว่าสัมมาสมาธิยังมี2กลุ่ม2ตัวสมาธิอย่างที่1จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้เอาไว้พักผ่อนนะเช่นเราอยู่กับพุทธโธใจไม่หนีไปไหนเลยใจอยู่แต่พุทธโธอย่างเดียวสบายใจนะอย่างนี้ได้พักผ่อนเวลาเราฟุ้งซ่านมากๆนะเวลาเราทํางานที่ต้องเครียดๆเรากําลังจะต้องไปเผชิญหน้าผู้บังคับบัญชาหรือบอร์ดเรียกเราไปเนี่ยตื่นเต้น แล้วเราใช้สมาธิเข้าช่วยเราลองกลั้นใจทุกคนลองฝึกดูก็ได้เอาไว้ใช้ได้นะลองกลั้นหายใจนิดหนึ่งนะแล้วจับไปที่ความรู้สึกนิ่งๆของเราลองดูเอาละพอละอย่า ก, กลั้นนานเดียวไม่หายใจต่อจะลำบากนะเนี่ยเราใช้เวลาอึดใจเดียวนะป๊บเดี๋ยวเท่านะี้สมาธิก็เกิดแล้วสมาธิอย่างนี้จะเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนนะใจจะมีกําลังขึ้นมา งั้นไปลองฝึกเล่นดูก็ได้นะกลั้นลมหายใจแล้วก็จับไปที่ความรู้สึกนิ่งๆอ่ะลองฝึกดูแต่สมาธิอันนี้ไม่เกี่ยวกับมรรคผลนิพพานนะเป็นสมาธิที่ใช้พักผ่อนลองทำซิทำได้ไหมใช้ได้นะใช้ได้อะไรพอละสมาธิที่ดีอีกชนิดหนึ่งนียเป็นสมาธิที่เอาไว้เจริญปัญญาสมาธิตัวนี้เป็นสมาธิที่สำคัญที่สุดเลยถ้าไม่มีสมาธิตัวนี้นะ เจริญปัญญาไม่ได้เวลาที่จะเจริญปัญญาเนี่ยจิตต้องตั้งมัน่นถอนตัวออกมาจากโลกของความคิดนะมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้จิตจะถอนตัวออกมาได้เนี่ยเมื่อรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดทันทีที่รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะจิตคิดจะดับจิตรู้จะเกิดนี่เป็นเรื่องปกติเลยง่ายๆเพราะงั้นต่อไปนี้นะเราทากรรมฐานสักอย่างหนึ่งใครถนัดอะไรก็ทามันนั้นแหละวันนึ่ง1นาทีไม่ขอมากหรอก สิบนาที15นาทีฝึกไปเพื่อจะได้พัฒนาชีวิตของเราคนรุ่นหลังๆที่เรียนกับหลวงพ่อนะใช้เวลาเดือน2เดือนนี้ชีวิตเปลี่ยนละชีวิตจิตใจเปลี่ยนละเคยทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้นนะชีวิตเขาเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยงั้นพวกเราฝึกนิดหนึ่งนะทํากรรมฐานสัก10นาที15นาทีนี่ละแล้วไม่ใช่บังคับจิตให้สงบอยาก ร, รู้ลมหายใจเนี่ยไม่ได้บังคับว่าจิตต้องสงบอยู่ที่ลมหายใจ เราหายใจไปถ้าจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตไหลไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันทดสอบนะจิตไหลไปจ้องเมื่อกี้พาให้ดูจิตที่หนีไปคิดแล้วจาได้ไหมตอนที่บอกว่าอยากคิดมันแอ บ, บคิดได้เองนี่พอเรารู้ทันว่าจิตคิดนะจิตรู้ก็เกิดนี่ลองดูนะจิตจ้องจิตเพ่งทุกคนลองดูไปที่ลมหายใจของตัวเองให้ลืมโลกไปเลยโลกนี้เหลือแต่ลมหายใจของตัวเองลองดูสิลองจ้องดู สังเกตไหมขณะที่เราไปรู้ลมหายใจเนี่ยจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจดูออกไหมเอาใหม่ถ้ายังดูไม่ออกลองนึกถึงผมของตัวเองสินึกถึงเส้นผมของตัวเองให้ใจจ่ออยู่ที่เส้นผมต่อไปเปลี่ยนมาจ้องอยู่ที่ให้ใจนะเราไปจ่ออยู่ที่หัวแม่มือข้างขวาถ้าใครไม่มีหัวแม่มือขวาให้ใช้มือซ้ายได้ ลองดูสิลองเปลี่ยนไปอยู่ที่เท้าสินะเท้าข้างใดข้างหนึ่งก็ได้รู้สึกไหมว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าได้เคลื่อนไปอยู่ที่ผมไดนะ้เคลื่อนไปที่หูซ้าย anh, หูขวาเนี่ยมันเคลื่อนได้ตลอดเวลานะคนทั่วไปเนี่ยจิตมันเคลื่อนอยู่ตลอดนะเดี๋ยวก็เคลื่อนไปดูเดี๋ยวก็เคลื่อนไปฟังเดี๋ยวก็เคลื่อนไปคิดแต่ไม่เคยเห็น งั้นจิตเนี่ยจะฟุ้งซ่านฟุ้งไปทางไหนฟุ้งไปทางตาฟุ้งไปทางหูฟุ้งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตมันหนีไปทางตาหนีไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือหนีไปคิดนไม่เคยเห็นต่อไปนี้ลองหัดเห็นดูบ้างถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะไม่ไหลโดยที่ไม่ได้บังคับต้องไม่บังคับด้วยนะถ้าบังคับมันจะเครียดถ้าเครียดไม่ใช่สมาธิ ถ้าเครียดเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลดันทีก็เราลองดูพระพุทธรูปลองดูสังเกตที่พระพุทธรูปดูที่ยอดของท่านนะว่ายอดของท่านเป็นแบบไหนกลมๆหรือว่าเป็นแฉกแฉกสังเกตดูสังเก ต, เกตไหมใจเราวิ่งไปอยู่ที่พระนึกออกไหมสังเกตออกไหมใจมันเคลื่อนไปเอาละพอละดูพระมากเดี๋ยวพระเสื่อม นะใจเรายัางหลงเก่งอยู่แนะม่คอยรู้ทันเท่านี้นะไปหัดดูเวลาเราดูทีวีสังเกตดูให้ดีเวลาดูทีวีที่ใจเราก็วิ่งเข้าไปอยู่ในจอเลยนะไปจ้องจ้องทีวีลืมตัวเองใจมันไหลไปอยู่ที่จอโทรทัศน์ดูนิดนึงนะหูไปฟังใจก็คิดคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้สมมติคิดนายกพูดอย่างนี้ปุ๊บใจหนีไปคิดนะใจมันเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิด ใจเนี่ยวอกแวกตลอดเวลาเนี่ยสมาธิมันไม่มีนะทำไงสมาธิจะเกิดไม่ใช่ว่าห้ามใจไม่ให้เคลื่อนอย่าไปห้ามนะถ้าห้ามเมื่ไหร่จะเครียดมา่นั้นเลยให้ใช้วิธีรู้ทันใจที่เคลื่อนไปใจเคลื่อนไปดูรู้ทันใจเคลื่อนไปฟังรู้ทันใจเคลื่อนไปคิดรู้ทันนะจริงจริงมันเคลื่อนได้6ช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เคลื่อนมากที่สุดเนีย่ยเคลื่อนทางใจอย่างเราตื่นนอนมายังไม่ทันลืมตาเลยใจเขาคิดแล้วนะ ถ้าเรารู้ทันใจที่คิดได้เนี่ยเราจะมีสตินะบ่อยที่สุดเลยใจเคลื่อนไปคิดปุ๊บรู้ทันเคลื่อนไปคิดปุ๊บรู้ทันถ้ารู้อย่างนี้นะไม่นานสมาธิตัวจริงจะเกิดขึ้นใจมันจะรู้สึกว่าร่างกายมันอยู่ส่วนหนึ่งนะใจอยู่ส่วนหนึ่งนะต่อไปมันจะแยกได้ความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งโลภโกรธหลงก็แยกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งนะใจเป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งจะแยกออกมาได้พวเราจาหลวงตามหาบัวได้ไห พระธรมหาบุรษสอนกรรมฐานเก่งนะท่านบอกว่าถ้าหากเรายังแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นคือแยกรูปนามกายใจไม่เป็นนะอย่ามาคุยกับท่านนะว่าจเจริญปัญญาเนี่ยงั้นก่อนที่จ ะ, จะเจริญปัญญาได้เนี่ยต้องเห็นเลยกายอยู่ส่วนนึงใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากความสุขความทุกข์อยู่อีกส่วนนึงใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากความดีความชั่วโลภโกรธหลงอยู่ส่วนนึงใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากเนี่ยจะถอนตัวออกมาเป็นคนดู ถ้าถอนตัวออกมาได้แล้วครั้งนี้เราถึงจะขั้นเดินปัญญาได้ถ้าจิตถอนตัวออกมาเป็นคนดูไม่ได้ยังเดินปัญญาไม่ได้จริงนะยังเดินปัญญาไม่ได้จริงจิตที่ถอนตัวออกมาเป็นคนดูได้นะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะเรีย okay, กว่ามีนามรูปปริเชษทะยานถ้าใครเคยเรียนปริยัตบ้างได้ยินคําว่านามรูปปริเชษทะยานแยกรูปนามมีปัญญาแยกรูปนามออกจากกันได้รูปคือร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดู เราจะทดสอบดูความจริงไม่ใช่เรื่องยากเลยนะลองลองเห็นตัวเองหายใจอย่าดูที่ลมนะเมื่อกี้ดูที่ลมหายใจแล้วแล้วจิตเราไปจับอยู่ที่ลมคราวนี้ลองเปลี่ยนใหม่เห็นตัวเองกำลังหายใจสิก่อนจะเห็นตัวเองหายใจทุกคนช่วยยิ้มหน่อยยิ้มหวานๆทีหนึ่งก่อนยิ้มหวานเลยเหมือนว่าปลายปีนี้จะมีโบนัสพิเศษนะยิ้มหวานเนี่ยเห็นตัวเองกาลังยิ้มม เนี่ยเห็นตัวเองยิ้มลองพยักหน้าสิเนี่ยรู้สึกไหมตัวนี้มันพยักหน้าเห็นได้อะไรเห็นด้วยใจด้วยความรู้สึกนะแล้วตอนนี้กําลังหายใจอยู่รู้สึกไ้มอย่าไปจ้องที่ลมนะรู้ตัวสบายๆเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูเนี่ยถ้าฝึกอย่างนี้ไม่นานนะร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนดูร่างกายยิ้มใจเป็นคนดูร่างกายยกมือใจเป็นคนดูนะร่างกายนั่งตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหม ร่างกายนั่งใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกอย่างนี้ไปได้ๆนะพอเรามีสมาธิแล้วนะใจอยู่กับตัวเองไม่หลงอยู่ในโลกของความคิดแล้วเราก็มาดูร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูค่อยฝึกไปนะบางคนนั้ไปเดินจงกรมนะฝึกเดินจงกรมเดินไปเดินมาก็เพ่งอยู่ที่ร่างกายนันเครียดมากเลยกว่าจะยกขาแต่ละก้าวนี่เครียดมากเลยนะทั้งๆที่การปฏิบัติเฉยๆไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเลยนะเอายิ้มอีกทีสิรู้ตัวเองไหมว่ายิ้ม พยักหน้าอีกทีสิสายหน้าสิสายเบาๆรู้สึกไหมตัวนี้เคลื่อนไหวกำมือซินี่รู้สึกเอา ไ, ไ, ไหมตัวนี้มันกำมือเราเป็นแค่คนรู้สึกนี่หัดรู้สึกอย่างนี้นะแล้วต่อไปจะเห็นว่าเออร่างกายมันเคลื่อนไหวใจมันอยู่ต่างหากนะใจมันเป็นคนดูอย่างขนาดเนี้ยใครมีความสุขบ้างยกมือสิใครรู้สึกมีความสุขใครรู้สึกมีความทุกข์ใครรู้สึกงงมีไหม เอองงถ้างงแล้วรั่วงงเนี่ยทำกรรมฐานเป็นแล้วนะเป็นแล้วเพราะอะไรจิตงงรั่วงงเนี่ยจิตมีความสงสัยใช่ลังเลสงสัยรว่วลังเลสงสัยกรรมฐานจริงๆไม่ใช่เรื่องยากพวกเราคิดมากไปเองนะร่างกายเงี้ยร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูใครๆก็ทำได้ความสุขเราก็รู้จักความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ใจเป็นคนดู ค, ค, ดนะความทุกข์เราก็รู้จัก ความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าตอนนี้สงสัยอยู่นะใจเราก็เป็นคนดูเราจะเห็นว่าความสงสัยกระใจนั้นเป็นคนละอ่านกันความสุขความทุกข์กับจิตใจก็คนละอ่านกันนะความโลภโกรธหลงกับจิตใจก็คนละอานกันค่อยๆฝึกนะาการที่จะฟังหลวงพ่อครั้งเดียวให้รู้เรื่องเนี่ยมันก็แน่เกินไปหน่อยนึงนะเพราะอะไรกรรมฐานที่สอนให้เนี่ยครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อก็จริงนะแต่ส่วนมากท่านสอนตัวต่อตั ว, ต ว, ตว ท่านไม่ได้สอนวงกว้างทีนึงหลายๆร้อ ย, ยคนบางทีคนเป็นพันเงี้ยนะครูบาอาจารย์ไม่สอนพวกนั้นนี่หลวงพ่อเอาที่ครูบาอาจารย์สอ น, นมาสอนพวกเรามาถ่ายทอดให้พวกเราถ้าพวกเราทําได้เนี่ยเราจะพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วเลยแต่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะแบบนี้มาก่อนนะอย่างถือศีลเราก็คิดว่าต้องไปขอกับพระหลวงพ่อกลับบอกว่ากิเลสอะไรเกิดให้รู้ทันแล้วศีลจะเกิดขึ้นเอง สมาธิเราก็คิดว่าต้องนั่งหามรุ่งหามคำ่ำต้องทําอย่างโน้นต้องทําอย่างนี้หลวงพ่อกลับบอกว่าทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งที่สบายใจแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปอยู่ที่อื่นจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปอดีตไปะนะกรู้ทันนะจิตไหลไปอยู่ที่ลมรู้ทันนะจิตไหลไปที่มือที่เทา้ารู้ทันถ้ารู้ทันแล้วสมาธิจะเกิดเห็นไหมการจะเกิดสมาธิไม่ใช่เรื่องยากพอได้สมาธิแล้วก็มาเดินปัญญาวิธีเดินปัญญาก็ต้องแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจให้ออกจากกันได้ นะเพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่าตัวเราไม่มีวิธีปฏิบัติเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนวิธีที่เรียกว่าวิพัชชวิธีวอรแวนสระอิพอสัาเภาไม่หาอากาศชอช้างวิพัชชะวิพัชชะแปลว่าแยกนะเหมือนอย่างเราเห็นว่ารถยนต์มีอยู่หนึ่งคันรถยนต์มีจริงๆเราจับรถยนต์มาถอดเป็นชิน้นนะถอดลูกล้อออกถอดฝาครอบล้อถอดลูกล้อนะ ถอดตัวถังถอดพวงมาลัยถอดถังน้ํามันถอดสายไฟหลอดไฟถอดน็อตถอดอะไรออกมาถอดบ่อออกมาสุดท้ายรถจนไม่มีรถยนหายไปแล้วเพราะถูกถอดเป็นชิ้นชิ้นสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้ก็เหมือนกันถ้าเราถอดออกเป็นชิ้นชิ้นได้เราจะพบว่าตัวเราไม่มีจริงร่างกายส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งนี่ถอดออกมาเป็น2ชิ้นแล้วความสุขความทุกข์ที่เกิดในร่างกายความสุขความทุกข์ที่เกิดในใจเป็นอีกอันหนึ่งถอดเราเป็นชิ้นอีกชิ้นหนึ่ง ความปลุงดีปลุงชั่วอย่างโลภโกรดหลงเราเห็นในโลภไม่ใช่ร่างกายโรกรดลงไม่ใช่ร่างกายโลภโกรดหลงก็ไม่ใช่ความสุขความทุกข์โลภโกรดหลงไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นข้าวย่อก็ถอดออกไปเป็นอีกชิ้นหนึ่งนี่เราค่อยๆถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆถอดเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นความจริงว่าแต่ละส่วนนั้นตัวเราหายไปนะในความเป็นจริงตัวเราไม่เคยมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อทําลายความมีตัวมีตน ว่ามีตัวตนไม่มีมาตั้งแต่แรกมันมีแต่ความหลงผิดว่ามีตัวตนมันหลงผิดเพราะอะไรเพราะไอ้ก้อนนี้มันมารวมกันที่เรียกว่าขันห้าขันห้าคือรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรามันมารวมกันอยู่ด้วยกันแล้วเราก็เข้าไปสำคัญมั่นหมายมันเหมือนอะไรรถยนต์จํานวนมากนะมันมารวมกันเข้าเราก็สำคัญมั่นหมายว่ารถยนต์มีจริงๆงั้นเราจะมาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะเราจะเห็นเอ้ายิ้มใหม่ยิ้มไหมยิ้มหวานยิ้มหวาน อย่าเพิ่งหลับยังเช้าอยู่นะยิ้มหวานเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นร่างกายกินน้ำบางคนกินน้ําดื่มน้ํานะีร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนค่อยๆแยกไปนะตอนนี้ใครเมื่อยบ้างนั่งมานานแล้วเมื่อยบ้างยังสังเกตดูเมื่อยอยู่ตรงไหนเนะีเมื่อยที่ร่างกายใช่ไหมเมื่อยกับร่างกายเป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันสังเกตให้ดีร่างกายนั่งอยู่ก่อนเมื่อยมาทีหลังใช่ไหม เมื่อยกับร่างกายเนี่ยคนละอันกันนะเมื่อยมากๆใจทุรนทุรายนะอยากจะขยับอยากจะเดินออกไปข้างนอกนะแต่ยังเกรงใจอยู่นะในฐานะหลวงพ่อเป็นรุ่นพี่นั่นจะมาเดินหนีไปก็ดูน่าเกลียดนะแต่ว่าอยากไปลนะอยากเคลื่อนไหวทาไมอยากเคลื่อนไหวมันเมื่อยมันเมื่อยนั่งนานๆมันเมื่อยเห็นไะหม ด, ดูไปเรื่อยนะจะเห็นเลร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งใจที่อยากจะเดินหนีไปเนี่ย เป็นอีกส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยกับความอยากจะออกจากห้องประชุมเนี่ยเป็นโคล้านกันนึกออกไหมเป็นโคล้านตรงที่ใจอยากจะหนีไปอยู่ที่อื่นนะเป็นเขาเรียกว่าสังขารขันเป็นความปรุงแต่งของจิตนะส่วนตัวความปวดความเมื่อยเขาเรียกว่าเวทนาขันเป็นเวทนาขันจิตนี่เรียกว่าวิญญาณขันร่างกายเป็นตัวรูปขันคําว่าขันเนี่ยพราะเราอย่าไปตกใจนะคำว่าขันนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือคําว่าส่วนนะคําว่า division ว่าส่วนร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งความดีความชั่วอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้อยู่อีกส่วนหนึ่งแยกเป็นส่วนๆแล้วแต่ละส่วนมันจะสอนให้เห็นความจริงว่าไม่มีเรานะร่างกายมันจะไม่ใช่เราอย่างถ้าพวกเราขยับตัวแล้วเราเห็นร่างกายขยับไปเนี้ยสักพักเดียวนะไม่นานเลยเราจะรู้สึกเลยไอ้ตัวที่ขยับเนี้ยไม่ใช่เราหรอกมันเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราหรอก เป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าอย่างแก้วน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองเห็นใช่ไหมใครเห็นแก้วน้ําเป็นตัวเองบ้างถ้าเห็นให้ไปปรึกษาจิตแพทย์ด่วนเลยนะเพราะจริงๆมันไม่เป็นเราอยู่แล้วนะแต่ภาพแม่มันมันแนบพอมันกกลายเป็นเราขึ้นมาร่างกายขัน5้าจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเนี่ยโดยตัวของมันเองไม่เป็นเราอยู่แล้วนะอย่างความสุขใครเห็นความสุขคือตัวเราบ้าง เขบ้องแหละเรามีความสุขนะแต่ความสุขมันไม่ใช่เราอย่ารู้สึกอย่างนั้นนะเวลาโกรธไปหัดดูให้ดีเวลาโกรธไม่ใช่เราโกรธนะความโกรธมันเกิดขึ้นต่างหากแล้วจิตไปเห็นมันเข้านะความโกรธจะจิตเป็นคนละอนกันค่อยๆฝึกไปนะแล้วต่อไปเราจะถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ถ้าถอนสําเร็จมันก็ได้พระโสดาบันต่อไปเราก็จะดูกายดูใจมันทํางานเรื่อยๆไปนะวันหนึ่งปัญญารู้แจ้งแทงตลอดนะ ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นอะไรถ้ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์ถ้าวันใดเห็นว่ากายเป็นตัวทุกข์จิตจะปล่อยวางความยึดถือกายจะได้ภูมิธรรมของพระอนาคามีถัดจากนั้นจิตมันจะรวมลงที่จิตนะจิตจะเด่นดวงสว่างสวอยู่อย่างนั้นเลยทั้งวันทั้งคืนนานๆจะมองๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะแล้วมีปัญญาแก่กล้าลงไปจิตนี่คือตัวทุกขนะ์จิตจะคืนจิตให้โลอีก ถึงจุดนั้นนะที่สุดแห่งทุกข์แล้วเพราะไม่มีถ้าจิตไม่ทุกข์อะไรจะทุกข์ล่ะความทุกข์มันอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นนะความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงใจอีกต่อไปล้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่นิยายนะไม่ใช่ปรัชญานี่คือศาสตร์ศาสตร์อันหนึ่งศาสตร์แห่งการเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองถือศีลเป็นเบื้องต้นไว้ถ้าไม่มีศีลใจฟุ้งซ่านฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคําว่าสมาธินะฟังแล้วน่ากลัว พวกเรารู้จักคําว่ามีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมลืมเนื้อลืมตัวรู poisoned, <Elizabeth, S 1> you know, ้จ <Whew. S 2> ักไหมลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละไม่มีสมาธิจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละจิตใจมีสมาธิงั้นเราต้องทําไมต้องมาอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เพื่อเราจะได้เห็นกายเห็นใจของตัวเองว่าจริงๆไม่ใช่เราหรอกนะตรงนั้นเป็นขั้นเดินปัญญางั้นก่อนจะเดินปัญญาได้จิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวคือมีสมาธิซะก่อนงั้นไม่ใช่สงบนะ บางคนคีดว่านั่งสมาธิสงบไ ป, ป น, นานๆแล้วปัญญาจะเกิดไม่เกิดหรอกหลวงตามาหาบัวเคยสอนนะเคยออกทีวีตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่บวชหรอกรายการถวายไลฟ์โชว์ชื่ออะไรไใจพบนะป่ะใจพบถามหลวงตาบอกหลวงตาครับถ้าผมนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจะเกิดปัญญาไหมหลวงตาฮะ ah? เกิดอะไรนะจะเกิดปัญญาไหมครับไม่เกิดหรอกเรื่องสมาธิก็มีวิธีฝึกอย่างหนึ่งจเจริญปัญญามันก็มีวิธีฝึกอย่างหนึ่งคนละอ่านกันนะ อย่าเปมั่วนะพวกชมลมพุทธเนะี่ยชอบนั่งสมาธิสมัยก่อนนะนั่งสมาธิเราคิดว่าวันหนึ่งจะเกิดปัญญาจ้างก็ไม่เกิดหรอกหลวงตาก็บอกแล้วจะเดินปัญญาได้ก็ต้องแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์หลวงตาบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยกวดเราว่าเดินปัญญานะ่ยท่านสอนอย่างนี้งั้นเราค่อยๆหัดไปนะขันแรกถือศีลในการรู้ทันใจมีกิเลสรู้ทันต่อมาก็ฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองบ่อยๆ อ, อย่าให้มันหนีไปนาน หัดพุทโธพุทโธไปใจหนีไปเรารู้หายใจไปใจหนีไปเรารู้ฝึกวันนึ่งสักสินาทีก็พอนะแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยมาค่อยๆสังเกตอยู่ในชีวิต จ, จริงๆนี่แหละตามองเห็นความรู้สึกของเราเป็นยังไงหูได้ยินเสียงความรู้สึกของเราเป็นยังไงจมูกได้กลิ่นความรู้สึกเป็นยังไงลิ้นเราถูกรสกระทบกรรับรสความรู้สึกเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงใจมันคิดไปเรื่องนี้จิตใจเป็นยังไงคิดเรื่องนี้จิตใจเป็นยังไง เคยรู้เท่าทันตัวนี้ไปเรื่อยเราจะเห็นเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ใจเราเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นความสุขเกิดชั่วคราวแล้วก็ดับความทุกข์เกิดชั่วคราวแล้วก็ดับความดีอยู่ชั่วคราวก็ดับโลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นตรงที่เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดระดับตัวนี้แหละที่เรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาไม่ได้กําหนดอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าท่องพองหนอยุบหนอแล้วเป็นวิปัสสนานะอันนั้นคือสมถ วิปัสสน า, าต้องเห็นรูปนามสแสดงไตรลักษณนะ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาอย่างตัวง่ายๆเลยตัวความรู้สึกของเราเนี่ยพวกเราเป็นคนเมืองตาหูจมูกกลิ่นกายใจของเรานะกระทบอารมณ์ทั้งวันเลยง่ายๆที่สุดเลยก็คือเมื่อตาเห็นใจเราเป็นยังไง ร, รู้หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่ น, นได้รสกายกระทบสัมผัสแล้วใจคิดแล้วความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจคอยรู้แล้วเราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างนั้นชั่วคราว ทุกอย่างเกิดระดับนี่แรกคือการเจริญปัญญานะที่เหมาะกับคนในเมืองแต่ถ้าดูจิตดูใจงี้ไม่เป็นก็ดูร่างกายไปเห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่เราเห็นว่าไม่ใช่เราเหมือนกันจิต ท, ที่เป็นคนดูเนี่ยต่อไปก็จะเห็นเองว่าจิต ท, ที่เป็นคนดูนะเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ตู่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายไม่ใช่เราเหมือนกันเพราะฉั้นะไม่ว่าจะดูกายดูใจสุดท้ายนก็ลงมาที่เดียวกันทั้งหมดนะนะไปลองฝึกดูนะฟังครั้งเดียวที่จะให้รู้เรื่องนั้นยากนักหนา ไปฟังซีดีฟัง youtube มีให้ฟังฟรีๆนะซีดีเขาแจกมหาสารเลยนะ u t u b e ก็มีไปดูไปฟังเอาไม่ใช่ฟังเพลงนะฟังที่หลวงพ่อเทศนะเดี๋ยวมาฟัง youtube แล้วดูเพลงมันจะได้เรื่องอะไรไปฟังธรรมะฟังบ่อยๆไม่นานก็จะเข้าใจว่าหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรเข้าใจตัวนี้แล้วต่อไปนะอ่านพระไตรปิฎกก็รู้เรื่อง ทุกวันนี้ไปอ่านนึกว่ารู้เรื่องจริงๆไม่รู้หรอกรู้คนละเรื่องนะหรือไปฟังครูบาอาจารย์องค์ไหนก็จะเข้าใจทั้งหมดเลยเพราะสิ่งที่สอนให้นะี่คือแก่นของการปฏิบัตินะเราเอาไปสวมเข้ากับเปลือกของการปฏิบัติที่เราถนัดคนไหนถนัดพุดโทโธใช้พุโทโธคนไหนถนัดจงกรมเจรินจงกรมแต่ให้คอยรู้ทันใจเอาไว้นะถ้าได้ใจก็ได้ทำไม่ได้ใจก็ไม่ได้ทเท่านั้นเองอพอสมควรกี่เวลานะยาวนักก็ไม่ดี สมองของคนเนี่ยรับข้อมูลต่อเนื่องได้45นาทีพวกเราจะเริ่มอ่อนลา้าพอละสมควรแค่เวลาเห็นไหมมีโคศกมาพวกเราดูที่โคศกรู้สึกไหมใจเราไปอยู่ที่เขาดวอกไหมเห็นหมเราสนใจเขาเราลืมตัวเราเองแล้วจิตใจของคนทั้งหลายเป็นแบบนี้ทั้งวันเลย งั้นเราเลยไม่มีโอกาสาที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองเพราะเราสนใจคนอื่นมากกว่าตัวเองไม่ได้ด่านะค่ะหลวงพ่อคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้มีความสุขแล้วก็พอหลังจากนั้นมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่า สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนความฝันนะคะ ม, มันเกิดมาหายไปเกิดมาหายไปมันมันเป็นอดีตไปหมดอะคะ่ะแล้วก็มันก็มีความสุขอยู่เรื่อยๆแล้วก็จนบางทีก็ย้อนมาดูเอ๊ะมันติดสุขหรือเปล่าก็ก็เหมือนไม่ติดนะคะเวลาที่เราพอนานนะบางคนนั้นมีความสุขเยอะเลยก็ช่วยไม่ได้ภาวนาแล้วมีความสุขแต่มีความสุขแล้วจะติดหรือไม่ติดเนี่ยอยู่ที่รู้หรือไม่รู้ ถ้าใจเราชอบแล้วเรารู้ว่าชอบนะไม่ติดถ้ามีความ <me 80 S 2> <nat> สุขแล้วชอบแต่ไม vale ่ร nice like <ơn S 2> ู้ว่าชอบอันนั้นถือจะติดมีความสุขได้แต่อย่าไปติดกับมันแล้วมันชอบคุมใจเลยค่ะมันคูมใจว่ากูเก่งหรือมันมันคุมควบคุมอ๋อไปคุมใจคุมใจเพราะว่าอยากดีเห็นไหมพออยากดีก็เลยบังคับตัวเองมากรักดีหามจววเลยหนักเลยจววหนักนะอยากดีก็ทุกข์อยากดีไปบังคับตัวเอง ก็รู้อยู่แล้วนี่ว่ามีปัญหาอะไรไปช่วยตัวเองสังเกตไหมใจไม่เป็นธรรมชาติแน่นเกินไปค่ะใช่ค่ะแน่นเพราะอะไรเพราะบังคับมันทำไมบังคับมันมันตื่นเต้นไม่อยากตื่นเต้นให้คนอื่นเห็นเนี่ยรู้ทันไปเรื่อยนะ <ขอ S 2> ต่อไปก็แน่นแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกั น, นะคะ่ะ เมื่อกี้หลวงพ่อถามว่าใครมีทุกข์มั่งโยมยกคนเดียวว่ามีทุกข์เพราะไม้มันอยู่ตรงโยมนะคะเขาให้ถือไว้ตั้งแต่แรกก็เลยทุกข์กันอยู่ที่บ้านนิยมก็จะใช้วิธีว่าทําแบบเล่นๆไม่ทราบว่าตอนนี้เล่นเกินไปหรือเปล่าเจ้าคะอยู่ที่ว่าทุกวันทํำไหม ม, <c oughs> มีพิ่ไหนไหมมีเจ้าค่ะถ้ามีพี่นัยก็ใช้ได้ <c oughs> ก็เช้าก็สวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมแล้วก็เวลา ในชีวิตประจําวันก็รู้สึกตัวพยายามรู้สึกตัวนะคะก็ต้องฝึกนั้นแหละพวกเราบางคนเข้าใจผิดนะคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระต้องเดินจงกรมไม่รู้หรอกว่าการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตจริงๆนี่มันอันเดียวกันถ้าเรายังแยกส่วนนะเวลานี้ปฏิบัติเวลานี้ไม่ปฏิบัติยังอีกไกลแต่เดิมโยมเป็นแบบที่หลวงพ่อบอกเนี่ยค่ะก็คือจะแบบ หับปูบหลับตาเดินจงกรมอยู่เรื่อยแล้วก็ถ้าเผื่อว่าไม่ได้เดินจงกรมหรือว่าไม่ได้ทำอะไรก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำแต่ตอนนี้ก็คือพ อ, อเดินไปก็รู้สึกตัวไปทำงานก็รู้สึกตัวไปนะคะแล้วก็คือถ้าเราทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดน ะ, ะรู้สึกกายรู้สึกใจได้แต่ถ้าทำงานที่ต้องคิดเนี่ยรู้สึกไม่ได้ในขณะนั้นต้องจดจ่อกับงานไม่ได้ปฏิบัติออกเมื่อก่อนนะมีพี่คนหนึ่งนะอยู่ที OT นี่แหละ มาบ่นให้หลวงพ่อฟังว่าหัวหน้ากองนียใจบาปมากถามหัวหน้ากองทำไมใจบาปแม่พี่จะเดินจงกรมมาเรียกให้ทำงานเขาจ้างพี่มาเดินจงกรมเหร อ, อคิดอะไรอุตรีขนาด น, นั้นเน้ะเขาจ้างมาทำงานเนี่ยถึงเวลาทำงานก็ทำงานสิใช่ไหมแต่ว่าอย่างพอร่างกายเราเคลื่อนไหวเรารู้สึกหัวหน้ามาสั่งงานเราโมโหรั่วโมโหนี่เราปฏิบัติแล้ว เวลาจะกินข้าวเดินไปโรงอาหารเห็นร่างกายมันเดินไปนะเห็นใจมันตะกละนีใจมันโลภใจมันตะกละจะเอาโนู้นจะเอานีานเานนะ่เจอของชอบใจรู้ทันไอ้นะี่ไม่ชอบใจรู้ทันกินเข้าไปแล้วของชอบแท้ๆ เ, เกิดไม่อร่อยชักโมโหอีกล้ใหญ่แม่คาคนนี้ช่วยเนะีนะ่ยนะฝึกอย่างนี้ง่ายๆเข้าห้องน้ําก็ต้องฝึกนะบางคนบอกเข้าห้องน้ําห้ามทํากรรมฐานเกิดตายในห้องน้ําไปทไําไง อยู่ในห้องน้ําก็ทํากรรมาฐานใครเค ย, เคยท้องผูกบ้างยกมือซิมีไหมเออถ้าท้องผูกท้องผูกแล้วเวลาไปนั่งอ้อนวอนแล้วไม่ออกเนี่ย <c oughs> มีความสุขหรือมีความทุกข์ความทุกข์ค่ะรู้สิรู้ว่าทุกข์ใช่ไหมออกก้อนที่หนึ่งดีใจไหมดี <c oughs> เออออกก้อนที่500ดีใจไหม <c oughs> ไม่ดีใจแล้วรู้มใจแล้ว <c oughs> ใช่ไหมออกไม่เลิก <c oughs> กรรมาฐานเนี่ยทำได้ทุกแห่งเลยนะอย่าเว้นวักเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะตายที่ไหนนั้นเราฝึกตลอดเวลา ครูบาอาจารย์นะท่านสอนนะบอกว่าถ้าหากเจริญสติในชีวิตประจําวันไม่เป็นเนี่ยนะโอกาสจะได้มากผลเนี่ยน้อยเต็มทีการเจริญสติปัญญาในชีวิตประจำวันเนี่ยตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ร้อยกาย ก, ารกระทบสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันพวกเราจําลงพระพุธได้ไหหลวงพระพุธเคยมาที่นี่โดยสยซ้ำไปหลวงพระพุธบอกว่ากรรมฐานของท่านเหรอยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิด ฟังแล้วไม่เห็นจะเป็นกรรมฐานเลยเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดใครเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดร่างกายใครเป็นคนคิดใจเป็นคนคิดคือท่านสอนให้ร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจใจรู้นั่นแหละสอนนั่นแหะกรรมฐานจริงๆอยู่ตรงนั้นงั้นะเราฝึกอยู่ในชีวิตประจํำวันให้ได้นะแล้วมาผลจะอยู่ไม่ไกลถ้าฝึกเก่งเฉพาะตอนเป็นนั่งสมาธิเดินจงกรมวันหนึ่งจะทําทได้สักเท่าไหร่ งั้นเวลาถ้าเจ้าอยู่หัวเราเก่งนะเจ้าอยู่หัวนหลวงพ่อเคยอ่านเป็นหนังสือระวัติหลวงพ่อกเกษมเขามาโกที่ไฟฟ้าฝ่ายปริตพิมพ์ก็พูดถึงในหลวงดนะ้วยในหลวงเนะี่ยท่านมีเวลาน้อยงานเยอะแต่เวลาท่านว่างสัก5านาทีนะท่านภาวนาท่านดูของท่านเเก็บเล็กเก็บน้อยอย่างเงี้ยพวกเราต้องเอาแบบนั้น เราสมมติว่าหัวหน้าเรียกเราไปนะางานอะไรเราก็เตรียมหมดละหรือเราเตรียมประชุมนะทุกอย่างเราเตรียมพร้อมหมดแล้วระหว่างนี้ตื่นเต้นจะพรีเซนตนะ์เดี๋ยวประธานบอร์ดจะมาฟังอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นรู้ทันว่ากําลังตื่นเต้นความตื่นเต้นมันดับนะนเหลือสติเหลือปัญญาล้วนๆอะไที่จะทํางานเนี่ยการปฏิบัติมันอยู่กันตรงนี้แหละห้ฝึกเอาสรุปแล้วไม่ได้หลั่ล้าเกินไปใช่ไหมคะนิดหน่อยนิดหน่อย ขอการบ้านแลยเพราะคำเสียใจมันใ่มันฟุ้งไปนิดหนึง่งดูออกไรดูออกค่ะแล้วยังมาหลอกถามแต่มันฟุ้งไปหน่อยใจมันอ่อนแอไปนิดหนึง่งขอการบ้านที่จะพัฒนาด้วยค่ะรู้ทันรู้ทันมันอ่ะต่อไป เ, ออเห็นสุขทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนไปค่ะของกายใจอะค่ะดีเวลาเห็นสุขทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะอย่ามัวแต่ดูสุขทุกข์ ให้รู้ทันใจด้วยถ้ามีความสุขจิตพอใจให้รู้ว่าพอใจมีความทุกข์ไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบมีความสุขอยากให้สุขอยู่นานๆสุขหายไปอยากให้มาอีกรู้ว่าอยากมีความทุกข์อยากให้หายทุกข์เร็วรู้ว่าอยากนี่คอยดูไปการปฏิบัติไม่เห็นยากเลยมีความทุกข์ก็ดูมีความสุขก็ดูมันอยู่ที่รู้ทันตัวเองนะสุดท้ายมันจะเห็นในตัวอย่างชั่วคราว ที่เราฝึกกันแทบเป็นแทบตายนะเพื่อสอนให้จิตเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวถ้าจิตยอมรับตัวนี้แล้วนะความทุกข์ในชีวิตจะหายไปเยอะเลยอย่างอยู่ๆคนที่เรารักตายไปปุบ ป, ปับตายไปเป็นไปได้เสมออย่างใครมีลูกบ้างวันนี้ลูกอาจจะตายแล้วก็ได้รถทับไปแล้วตอนนี้เนะี่ยถ้าใจไม่เคยฝึกนะสติแตกนะเคยฝึกอนะ่ะมันเคยเห็นอนะทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไป ชีวิตของคนที่เรารักมันมาแล้วก็ไปเป็นเรื่องปกติใจมันจะไม่ทุกข์มาก น, ะนั้นถ้าเมาื่อไรใจเรายอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นของชั่วคราวเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยความทุกข์มันจะไม่รุนแรงเท่ากับคนที่ไม่เคยเห็นความจริงนะที่เราปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อนหนีทุกข์นะแต่เพื่อให้เห็นทุกข์<ม>เพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตนีชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไป เขเห็นความจริงได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นต่อไปนี้อยู่สบายแล้วที่มันไม่สบายเพราะมันไม่ยอมรับความจริงอย่างแก่แล้วไม่ยอมรับแล้วทุกนะเจ็บแล้วไม่ยอมรับทุกตายไม่ยอมรับทุกต้องพลัดพรากจากคนที่รักแล้วไม่ยอมรับก็ทุกต้องเจอสิ่งที่ไม่รักก็ทุกอย่างบางคนทํางานมีหัวหน้าดีๆนะหัวหน้าย้ายไปได้หัวหน้าใหม่ห่วยแตกเลยนะมีความทุกข์นะ ตอนเราฝึกของเรานะเราเลือกไม่ได้นียบางทีเขาจะมาเขาจะไปคนหน้าคนนี้ถูกใจเราอยากเกษียณอะไรอยู่สักอายุสักเกก็แล้วกันอย่างนี้ก็ทําทไม่ได้ไปฝึกนะฝึกให้เห็นความจริงใ น, นชีวิตจะได้ไม่ทุกข์กล่าวเป็นมรสการค่ะหลวงพ่อแป๊บหนึ่งนะใครใจลอยบ้างตอนนี้ยกมือให้ดูสิเมื่อกี้นี้ใครใจลอยผู้ร้ายปากแข็งเยอะมากเลย เวลาใจลอยเนี่ยดูง่ายใจมันหนีไปที่อื่นนะมลืมตัวเองนะตอนนี้ใครเพ่งบ้างเวลาเพ่งมันจะรู้สึกแน่นแน่นแน่นขนกลางหน้าอกถ้าแน่นก็ผิดนะใจลอยก็ผิดเพ่งอยู่ก็ผิดใจลอยไปเนี่ยย่อหย่อนไปเพ่งไว้เนี่ยตึงเครียดเกินไปทางสายกลางก็คือรู้ทันมันใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้เอาว่ามาคเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูขันทํางานอืม เราก็เริ่มเรียนรู้เรื่องสุขทุกข<อ>์ที่ทำมาขันมันแยกได้แล้วก็ดูไปค่ะเราก็เริ่มรู้สึกว่าจิตเขาจนนํานวนขอความจริงมากขึ้นนะคะยังไม่ยอมหรอกยังไม่ยอมง่ายๆต้องดูอีกค่ะแล้วก็ได้เห็นว่าเองมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเยอะมากแล้วมันแนบอยูดด่กับชีวิตประจำวันถูกแล้วล่ะปุถุชนต้อมีมิจฉาทิฏฐิถูกละค่ะเห็นถูก ไม่ทราบหลวงพ่อมีเขาแนะนําสังเจกตใจสิใจไม่มีความสุขก็รู้ว่าไม่มีความสุขนะค่ะใจเราเป็นไงก็รู้เท่าทันไปคยิ่งเราเห็นทุกข์มากนะใจยิ่งมีความสุขนะทุกข์มันห่างออกไปใจสบายรู้ตื่นเบิกบานมีความสุขอย่าไปบังคับมันรู้ไปอย่างมีความสุขสังเกตว่าไ ม, ไม่ไม่จิตไม่เบิกบานไม่เบนะิกบานมันจริงจังเกินไปค ความพยายามอยู่ที่ไหนความลง่งเดีวอยู่ที่นั่นนะกรรมฐานเนี่ย <c oughs> เพราะเราพูดว่าพยายามไปงั้นอนะ่ะจริงๆโลภค่ะยัง <c oughs> จาบขอบพระคุณมากค่ะตัวจากวิริยะไหมความเพียรความเพียรไม่ใช่เพราะขยันเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำนะถ้าไม่ได้แปลอ ย, อย่างนั้นนะคำว่าวิริยะหรือสัมมาวายามะเนี่ยหมายถึงเพียรปิดกั้นกิเลสนะไม่ให้เกิดกิเลสที่เกิดแล้วทําลายไป เพียรทำกุศลให้เกิดเพียรทํากุศลที่เกิดแล้วให้พัฒนาขึ้นงั้นไม่ใช่ทําด้วยความเคร่งเครียดเนี่ยอกุศลเจริญคือใจมันเครียดใจเครียดใจมีโทสะนะอย่าทำอย่างนั้นทําด้วยความสุขหายใจไปรู้สึกตัวไปเดินจงกรมรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้ส่วนจะได้มากคผลเมื่อไหร่ถึงเวลามันก็ได้เองสวัสดีค่ะ ก็ฟุ้งซ่านค่ะแล้วก็เบื่อแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่จะไปอยู่ในหมู่ของคนที่รู้ว่าเขาทำความดีบางส่วนจะรู้ว่าบางส่วนเขาก็ทุสีอย่างเงี้ยค่ะก็จะอึดอัดนักพอนานะอยู่ที่ไหนก็ทำได้นะเราไม่ปฏิเสธสิ่งแวดล้อมหรอกกุศลให้ผลมาเราก็ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอกุศลให้ผลเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดี มีอยู่ที่ใจเรานะอยู่กับมันใจเรามีโทสะครอบงำดูออกไหมใจมันมีโทสะให้รู้เข้าไปตรงๆว่าใจกำลังไม่ชอบใจเบื่อหน่ายใจอยากหนีไปให้พ้นเนี่ยดูเข้าไปตัวนี้เราไปแก้ที่คนอื่นยังไม่ได้นะเราจะไล่เข้าไปก็ไม่ได้ต้องอยู่ตรงนี้แหละแต่ใจของเราเนี่ยมีโทสะเรารู้ทันโทสะจะหายไปโทสะหายไปเราก็อยู่กับคนทุศีลอย่างมีความสุขเราไม่ทุศีลตามเขาไปหรอกนะ งั้นเราอย่าไปคิดนะตั้งเงื่อนไขกับตัวเองว่าต้องต้องอยู่กับคนดีเท่านั้นถึงจะภาวนาได้นะอยู่ตรงไหนก็ต้องทำรู้ทันใจที่มันไม่เป็นกลางไว้นะแล้วบางทีแบบเออเราก็ต้องไปงานฟังชันซึ่งใจไม่อยากแต่ว่าดูหน้าที่เรา<ป>นะเรามาทำงานนี้ไม่ได้ทำเพราะอยาก <c oughs> เราทาเพราะเรามีหน้าที <c oughs> นะ่ความอยากเป็นเรื่องส่วนตัว <c oughs> เดี๋ยวให้มาเกิดงาน เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ต้องทำเราก็ทำทำแล้วทำไงให้มันดีที่สุดนะนะทำไงองค์กรของเราจะเสียหายน้อยที่สุดก็ต้องดูอย่างนั้นขอบคุณค่ะค่ะก็คือในช่วงที่ผ่านมาไม่ทราบว่าหนูยังทำถูกไหมคะมีคำแนะนำไหมคะทำสม่ำเสมอมไหม เือบสม่ําเสมอเอาให้สม่ําเสมอ น, นะจะถูกกว่านี้เ <c> ก <oughs> ือบเกือ <c oughs> บก็เกือ บ, บดีแล้วนะเกือบถูกแล้วทาทุกวันแบ่งเวลาไว้เลยนะสมมติเราทําตอนค่ำไม่ไหวเหนื่อยแนละ้วทำตอนตื่นนะตื่นนอนขึ้นมามีเวลาหน่อยก็ทําไปเลยอย่างนะถ้าระหว่างวันเนี่ยสมมตเรามีเวลาชั่วโมงหนะึ่งหนาะทีสองนาทีสามนาทีเราทํานะคุณภา พ, พงานจะสูงขึ้นนะเพราะสมาธิเราจะดีขึ้น อย่างหลวงพ่อเวลาทํางานพอเครียดเครียดนะงานหนักๆเครียดเครียดนะคิดอะไรไม่ออกเดินไปห้องน้ำํำตอนเดินไปนะเห็นร่างกายมันเดินไปไปเข้าห้องน้ําห้องน้ํามันเป็นข้อดีอ่ะมันชื่อห้องสุขขาเราไปเข้าแล้วสบายใจแล้วเดินออกมาเราเห็นรู้ใจมีความสุขใจสบายตอนขาไปดูใจไม่ออกก็ดูกายมันเดินครับกลับดูใจออกแล้วกลับมาทํางานต่อคุณภาพงานมันถึงจะดี มีคำแนะนำอื่นอีกไหมคะใจต้องมีเครื่องอยู่นะหนูอยู่กับอะไรมีถ้าตอนเช้าเดินจงกรมบ้างแล้วก็บางทีก็พุทโธแล้วก็ดูจิตที่เคลื่อนเออนะเอาอะไรก็เอาสักอันนะ<ม>เดินจงกรมก็ได้แล้วก็เห็นจิตมันเคลื่อนนะหรือจะพุทโธก็ได้พุทโธแล้วจิตมันเคลื่อนแล้วรู้ว่าจิตมันเคลื่อนแล้วรู้ว่าฝึกเงี้ยใจถ้ามีเครื่องอยู่นี่ถ้าเวลาว่างๆไม่มีอะไรทำก็อยู่กับพุทโธไป อย่าไปทิ้งยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติอะไรเงี้ยแล้วยังไม่อยากพูดโธนี้ไม่ได้นะส่วนเรามีเวลาว่างเราไม่ต้องคิดงานไม่ต้องอะไรเนะี่ยเราก็พูดโธไปพุทโธพุทโธแล้วก็รู้ทันใจที่เคลื่อนกําลังมันจะเยอะกว่านี้กําลังน้อยไปหน่อยเจ้าค่ะกราบนมันสการหลวงพ่อครับส่งการบ้านหลวงพ่อบอกให้ผมเจริญสมาถะให้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าเวลาทําแล้วมันมันจะวูบไปเลยแล้ว เหมือนเราตามันไม่ทันตลอดนะเราสติมันไม่ทันแล้วสติมันน้อยไปนะลองทำให้ดูสิเพ่งแรงไปเพ่งแรงไปเพ่งแรงแล้วมันเป็นน้อมใจให้ซึมน้อมซึมได้ที่มันก็หลับลองลืมตาภาวนาเป็นไหมลองดูหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจนะอย่าให้ใจมันม้วนเข้าไปข้างใน มันก็จะหลับยากขึ้ น, ใ, นใจมันม้วนม้นเข้าข้างในไปเดี๋ยวเดียวก็หลับแนละ้วลองไปทําอย่างนี้ดูถ้าหลับได้ก็เก่งแล้วแต่มันมีกรรมฐานอยู่บางช่วงนะทั้งๆ ท, ที่เดินจงกลมยังหลับเลยนะหรือบางทีเรานั่งขัดสมาธิเพชรนะเจ็บจะแย่เลยยังหลับเลยหลวงพ่อเคยเป็นเมื่อปีสองหเป็นอยู่เป็นเดือนไปถามหลวงปู่สิมบอกหลวงปู่ครับผมทํานี่ก็หลับทำํำ ให้บอกผู้รู้ผู้รู้จะไปสงสัยอะไรปฏิบัติไปพี่จิมจะมีอยู่บางช่วงที่มันจะเข้ามาพักอย่างนั้นนะมันมารวมพลังก็มีแต่ของคุณมันติดติดสมถะมันน้อ ม, มน้อมเข้าหาความซึมงั้นรู้สึกตัวอย่าให้ซึมนะหายใจเห็นร่างกายหายใจอย่าไปจ้องที่ตัวลมจ้องละใจมันจะม้วนเข้าไปข้างในเนี่ยก็หลับค่ะนมาส ก, การค่ะหลวงพ่ออยู่ไหนไม่เห็นนี่ค่ะ ว่าไปคือหนูก็ปรับอ่าปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะชอบดูจิตตัวเองหนูเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันแล้วหนูเห็นได้ค่ะเออชัดเจนมากดีคือแต่หนูมิกชอบถามนิดนึงค่ะพ่อคือเวลาหนูดูจิตตัวเองหนูรู้ว่าหนูโกรธพอหนูรู้ว่าหนูโกรธหนูอยากดูรูปร่างของตัวเอง ก็เลยไม่บังคับเขาปอ่อยเต็มที่เลยเหมือนเหมือนแต่ก่อนที่ผ่านมาแล้วพี่ๆที่ทำงานบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆนักปฏิบัติทุกคนชอบแซวหนูแล้วบอกว่าหนูหลงทางคือหนูหนูบอกเขาว่าหนูรู้ว่าหนูโกรธแต่หนูอยากเห็นอารมณ์โกรธของตัวเองว่าหนักแค่ไหนอย่าให้ผิดศีลเี่วกันว้ายวายเฉสๆค่ะเวลาคนก็ศีลถังร้อยนะคือเราทางใจเนี่ย เราไม่ห้ามะนะให้เราคอยรู้เท่าทันไว้ถูกที่สุด<ะ>แต่ทางกายวาจาเนี่ยอย่าให้ผิดศีล ส, <ะ>นะส่วนรุ่นพี่ที่บอกหลวงพ่อได้ยินมานานแล้วไ<ะ>อ้สไตล์เนี่ยนะมันคิดว่าคนเข้าวัดสวัน7วันก็บรรูปพระอรหันต์หมดแล้ว<ะ>ตัวเองอ ะ, ะกิเลสท่วมหัวไม่เคยเห็นเลยเนาะ ช, ชอบมาว่านักปฏิบัติ <laughs> ใช่หนูก็บอกนี่นี่หนูมีหลวงพ่อเป็นแบบอย่าง ห น, นูพ่อไม่ได้ไปตีกับใครเลยนะแม่หนูจะบอกว่าหนูมีหนูมีอะะหนูมีอาจารย์นะหนูไม่ได้ฝึกม ง, ง, ง, ง, ง, ง, งมุ่งหว่อะไรอย่า ง, งนี้หนูอย่าไปเตียงกับเขาสข<อ>ิพ่อจะเล่า <ไป S 1> ให้ฟ <ไป S 1> ังแต่หลวงพ่อมาเข้าทีโอทนะตอนนั้นมาทีเดียวก็เข้ามาบริหารเลยนะตำแหน่งบริหารตอนนั้นสห ah ภาพอ่ะอุยด่าหน้าดูเลยใครจําได้บ้างดาวุตรุลเลยนะ คนก็สงสัยว่าทำไมเราเฉยๆเราก็ยังมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เรื่อยๆคนด่าเราก็มีความสุขนะเออก mm ็ hmm. อเราเป็นนักปฏิบัติไงวาเรื่องอะไรเราจะทุกข์อ่ะแต่ว่าถ้าเราไปเถียงกับเขาสิสีเราดังพลอยนะก็เลิกเถียงแล้วหลังจากวันนั้นเออดี <laughs> หนูก็เลยกลายเป็นว่าเวลาแต่หนูทุกคนคือเราต้องดูใจของ เ, าเร า, า, าก่อนนะพอใจไม่มีโทสะแล้วเนี่ยดูจังหวะ ว่าจะทำไงจะเคลียร์เขาได้เดี๋ยวนี้หนูมองหน้าคนที่หนูโกรธแล้วหนูก็ออกเมตตาคุณ น, น่าระนละหังเมาเป็นว<า>ิธีหลบนะบ เ, เป็นวิธีหลบ<ช>ทำสมะะถะเจริญเมตตาไปดีแล้วอย่างนี้หนูหลงทางไหคะถ้าหนูรู้ว่าโกรธแล้วหนูยังดูตัวเองแต่หนูไม่ดูแล้วคะ่ะคือไม่อยากให้ตัวเองโกรธเหมือนอย่างไม่ใช่ไม่อยากให้โกรธนะโกรธเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้แต่ว่าเมื่อมันเกิดแล้วให้รู้ทัน จิตโกรธให้รู้ไม่ต้องตามไปดูให้ชัดนะแค่รู้ว่ามันโกรธแล้วมันก็จะดับให้ดูเราต้องการดูอะไรไม่ได้ดูว่าโกรธหน้าตาเป็นไงเราต้องการให้ดูให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับต้องการแค่นี้เอง<ด>งั้นไม่ต้องบิ้วนะวันนี้ไม่โกรธต้องบิ้วให้โกรธแล้วจะได้ดูว่าโกรธเป็นยังไงโอเวอร์ไปอย่างนั้นนะ แล้วก็เรื่องกดหนูจบแล้วในคำถามในใจหนูทีนี้หนูทำงานด้วยแล้วก็เรียนด้วยในตัวเองช่วงหนูไปเรียนนะคะหนูมีสมาธิอยู่ประมาณครึ่งวันแรกพอครึ่งวันหลังหนูนั่งนั่งเรียนอยู่รู้สึกวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่แล้วก็หัวรจมันไม่อยากเรียนสิใช่คไหมเรมันขัดฉันทะเรียกฉันทะปลุกใจให้ชอบมันหน่อยถ้าชอบมันก็จะตั้งใจเรียนค่ะ แล้วหนูจะฝึกให้ได้มีสมาธิในการเรียนให้มากขึ้นยังไงดีคะหลวงพ่อใจเราไม่ชอบนลใจไม่อยากเรียนอยากได้แต่ปริญญามันก็เลยไม่สบายใจขนะโอ้ยันเรียนเที่ไปตั้งหน้าไปค่ะค <c oughs> <c oughs> ิดอย่างนี้นาะเสียเงินไปเรียนแล้วเรื่องอะไรเสียเงินฟรีเราอาศัยความงกเนี่ยมันกระตุ้นให้ตัวเองภาวนาใช่เลยแล้วก็ขยันเรียนด้วยอก็ขอบคุณค่ะหลวงพ่อ กลับนมัสการค่ะหลวงพ่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อชี้ให้เห็นสภาวะของการเพ่งนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกคลายขึ้นคลายก็มีความสุขขึ้นเลยเพ่งมันเครียดแต่พอลงไปอย่างนี้มันจะมีเหมือนแบบจุดหนึ่งที่เหมือนกับว่ามันดึงเข้ามาพุทโธข้างในแต่ว่าความเหลื่อมกันมันไม่เยอะนะคะคือเหมือนกับเหลื่อมนิดเดียวที่จะดึงเข้ามาแล้วก็มันเลยมันเลยหมือรู้สึกว่าอยไปเกลี่ยเหมือนสิตรงๆ ของหนูเวลาใจมันหลงไปยังไม่ชอบอยู่นะยังไม่เป็นกลางยังเกลียดมันอยู่ให้รู้ทันใจที่เกลียดเนี่ยแล้วใจที่ถูกหรือว่าดีขึ้นตั้งเยอะแนละ้วรู้สึกออไหมว่าเราเปลี่ยนค่ะนะขันมันเริ่มแยกได้ลคะค่อยๆดูไปอืค่ะก็สิ่งที่ต้องปรับปรุงคืออะไรค้แมคสินเราดีัหมสินเราดีแล้วก็รักษาไว้น ะ, ะยังไม่ดีเราก็พัฒนา จิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยไหมยังไม่บ่อยเราก็ฝึกให้มันอยู่มีเครื่องอยู่แล้วจิตหนีแล้ว ร, รู้ น, นะแยกขันได้บ่อยไหมยังขณะนี้ขันมันแยกได้ชํานาญอยู่ขันมันแยกได้แล้วต่อไปดูขันแต่ละขันทํางานไปเราบางทีเหมือนกับ ไอ้จิตไหลไปเนี่ยแล้วคาว่ามันมันยังไม่ค่อยกลับคาฐานนะคะหลวงพ่อคือตอนเออหลวงพ่มาที่พุทพทโอยู่ให้รู้ทันว่ามันมันไหลไปนะมันเข้ามาเองแต่ถ้าไปนานก็กลับมาอยู่กับพุทโธแล้วค่อยรู้ทันเวลาเขาเคลื่อนถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนจิตจะเข้าฐานถ้าเราดึงมาจิตจะเข้าฐานเหมือนกันแต่เข้าแน่นๆไม่สบายเข้าแน่นนะเพราะฉนั้นจิตที่อยู่กับฐานเนี่ยยังมีสองแบบจิตที่เป็นตัวรู้นะ ตัวรู้ที่ถูกกับตัวรู้ที่ผิดตัวรู้ที่ถูกจิตจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวถ้าจิตตัวรู้ที่ผิดนะแ่แข็งแข็งแน่แนๆ่นหนักหนักตอ น, ตอนนี้ประคองอยู่รประคองรอประคองจะได้ตัวรู้ที่ผิดยังยังไม่ค่อยสบา ย, <laughs> ยาจะไม่สบายแต่ใช้ได้นะภาวนามาถึงจุด น, นี้มันยากมากเลยกว่าคนหนึ่งจะแยกขันออกไปได้ แต่พอแยกขันได้แล้วต่อไปการภาวนาเหลือง่ายๆแล้วคือดูมันทำงานจนกระทั่งวันหนึ่งปัญญามันเกิดขันทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรายกเกิดเองะหละถูกกรับน้ำมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือตอนนี้กดอยู่แล้วตื่นเต้นทุกครั้งที่ส่งกันบ้านเจ้าคะ่ะธรรมดานะใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้น ค่ะช่วงนี้ก็จะมีแกว่งไปทั้งฟุ้งซ่านเยอะแล้วก็พอไม่ฟุ้งซ่านก็จะเพ่งนิดหน่อยอ่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อธรรมดานะถ้าฟุ้งแล้วมันต้องกลับมาเพ่งถ้าจิตเนี่ยเหมือนเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาถ้าเวี่ยงข้างนี้แรงก็ต้องกลับข้างนี้แรงเป็นธรรมชาติเลยถ้าฟุ้งมากจะหดหูมากก็มีนะหรืออย่างช่วงนี้ราคาแรงแล้วอีกช่วงหนึ่งโทสะจะแรงจะกลับข้างกันนะเดี๋วเวียงอย่างนั้นนธรรมชาติของจิตปเป็นอย่างนั้นะมันไม่เที่ยง แล้วก็มีแบบว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เหมือนกับว่าช่วงที่ไม่รู้ตัวไม่รู้สึกตัวมันก็จะไม่ค่อยรู้สึกตัวแต่ว่าพอช่วงที่มันกลับมารู้สึกตัวจิตมันก็จะตั้งมั่นได้อยู่เป็นระยะพูดถูกพูดพูดถูกพูดแบบนี้เลยเวลารู้สึกตัวก็รู้สึกตัวเวลาไม่รู้สึกตัวก็ไม่รู้สึกตัวก็ถูก <c oughs> <c oughs> พอวนาใช้ได้นะภาวนาดีขึ้นเยอะเลยสังเกตไหมกายกับใจเป็นคนละอันดูออกไหมค่ะ <c oughs> สุขทุกข์ดีชั่วก็แยกออกไปดูออกไหมค่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ามารู้สึกไหมโลกมันอยู่ห่างออกไปค่ะรู้สึกไหมโลกมันจืดเจ้าค่ะนะต่อไปเราอยู่กับโลกนะเราไม่ติดกับโลกเหมือนใบบัวอยู่ในน้ํานะไม่เปลือยไม่เปียกน้ําจะเป็นอย่างนั้นเลยค่อยฝึกของเราอยู่ตรงไหนก็จะมีความสุขได้กระทั่งความตายมาถึงตัวใจยังเบิกบานเลย ความพลัดพรากหรืออะไรต่ออะไรมาถึงตัวใจก็ยังอยู่ได้ใจมัฉลาดมันรู้ว่าของข้างนอกเนี้มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปใช่ค่ะแต่ว่าพอวันสองวันนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อพอนอนได้สักสามชั่วโมงเนี่ยเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็มันตื่นประมาณเกือบตีสองอนะเจ้าพ่อแล้วมันก็ไม่ยอมนอนจิตมันสว่างโพลงอยู่เ อ, อ น, น, นะจนเช้าเลยเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อ ตอนกลางวันถ้าว่างๆก็แอมเงียบสัก10นาทีก็พอละนะไม่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวปกติเนี่ยถ้าเราสบายใจนะนอนจริงๆอะ่ะชั่วโมงพอลนะนอนห้าชั่วโมงก็เต็มอิ่มลนะนอนมากกว่านั้นนะ่ะฟุ้งซ่านจะฝันโนดฝันนี่ยุ่งจะเหนื่อยยิ่งนอนยิ่งเหนื่อยนี่เราพอนาเนี่ยบางทีสติเราเร็วมาก นอนน อ, นอยู่นะร่างกายกระดุกริกรู้สึกหมดเลยน ะ, ะแต่เห็นร่างกายมันหลับนะแต่จิตมันตื่นสว่างพลุ่งขึ้นมาเจ้าค่ะพลิกตัวรู้หมด เ, เออนั่นแหละ <c oughs> ไม่ใครบอกเรียนกับหลวงพ่อแล้วดูแต่จิตดูกายไม่เป็นไม่จริงหรอกหลับอยู่ยังรู้เลยหลับอยู่นะพลิกซ้ายพลิกขวาเรารู้หมดแนละ้วแล้วใจมันจะสว่างสวยขึ้นมาจิต น, นทรงสมาธิขึ้นมาทาไมมันดันไปทรงตอนหลับเพราตอนตื่นทรงไม่เป็นนะใจมันเลยไปทําสมาธิตอนนั้น แต่มันก็ไม่เพลียนะเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่เพลียหรอกค่ะอยู่สบายเลยค่ะแต่ว่าถ้ากลางวันมึนๆหน่อยก็พักสักนิดหนึ่งะนะพักสงีบสั้นๆแล้วลูกต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเจ้าค่ะหลวงพอ่อทําสม่ํามเสมอนะทำสม่ํามเสมอดีกว่ารีบร้อนไปทํานะที่ทํามาใช้ได้ชั่ละค่ะขอถวาย ผลการปฏิบัติเป็นพุท ธ, ธบูช า, ออาแล้วก็ถวาเป็นอาจารยริยาบูชาออแด่หลวงพ่อที่เจ้าค่ะเออสาทุกนามสการคะ่ะหลวงพ่อหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะออแต่ก็คอยดูจิตตัวเองมาร ะ, ะยะหนึ่งก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะออออทีนี้จะถามหลวงพ่อว่าหนูจิตเริ่มตื่นหรือ ย, อยังคะตื่นสิ เรารู้สั้นสภาวะที่กําลังปรากฏในปัจจุบันนะจีก็จะตื่นอัตโนมัติเลยแล้วเราที่ผ่านมาทำํทำถูกถู ก, ถ, กถูกไหมคะมแเราต้องสังเกติไหมว่ากายกใจมันเริ่มแยกออกแากกันได้ดูออกไหมเนี่ยพอมันแยกได้นะต่อไปร่างกายแก่เราไม่เดือดร้อนนะมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายเจ็บร่างกายตายไม่เกี่ยวกับเราเลยนะ อะไรเกิดขึ้นไม่เดือดร้อนหรอกรู้สึกแบบปล่อยวางได้มากขึ้นนะะใช่บางคนพูดเอามาง่ายนะอย่างก็บอกปล่อยวางปล่อยวางไม่รู้วิธีปฏิบัติมันวางไม่ได้หรอกถ้าปฏิบัติถูกนะไม่ไม่เรียกให้วางมันก็นวางเองนะาวางเองโลกมันจะห่างออกไปนะรู้สึกว่ามันมันมันวางได้เองจริงๆก็ปฏิบัติถูกแล้วใช่ไหมคะถูกถูกแล้วต้องทํายังไงต่อไปคะเวลามั น, มนโมโห ข, ขึ้นมาก็รู้ทันมันนะชีพโมโหไหม นะหลวงพ่อก็ว่างนะหงูเห็นแล้วใจโมโหเราก็รู้เอารู้เอานะแล้วมาสรกการหลวงพ่อค่ะครั้งที่แล้วเจอหลวงพ่อวันที่27สิบเจ็ดกรกฎาคมหลวงพ่อให้ไปดูว่าร่างกายไม่ใช่เราแล้วยังทำไม่ได้ค่ะเห็นไหมว่าร่างกายถือไม้เห็นค่ะเห็นไหมว่ากายกระใจเป็นโคล่าอันกันลองยิ้มซิ เห็นไหมตัวอะไรยิ้มอยู่ร่างกายยิ้มค่ะร่างกายยิ้มร่างกายยิ้มร่างกายถือไม้ร่างกายนั่งร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าค่อยรู้สึกเรื่อยๆทําไมหลวงพ่อให้ดูกายว่าโดยจริตนิสัยเนี่ยเรารักสวยรักงามนะเป็น<ะ>คนรักสวยรักงามกรรมฐานที่เหมาะกับพวกรักสวยรักงามคือการดูกายส่วนกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากนะคือการดูจิตเวลาคิดแล้วจิตมันเปลี่ยน คอยดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูโดยอย่างนั้นนี่ยเดี๋ยวมันค่อยเห็นว่าไม่ใช่เราหรอกแล้วตอนนี้เวลาปฏิบัติตามตกปกติตามรูปแบบทุกวันนะคะคือมันติดมันจะนิ่งแล้วก็ว่างแล้วมันมันมันไม่ทําอะไรเลยนั่นแหละหงพ่อถึงให้มาดูกายนะเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายเดินนะดูเส้นผมดูอะไรพวกนี้ได้ไดใช่ไหมได้ได้ไล่อยู่ในร่างกายนะ แต่ดีกว่านั้นดีกว่านั่งดูผมคนเล็บฟันหนังนั้นคือไปทํางานบ้านทํางานบ้านไปแล้วเห็นร่างกายทํางานใจเป็นคนดูฝึก ง, งั้นจะสบายกว่าคือกําลังคิดว่าตอนสิ้นปีจะได้หยุดยาวเราจะไปเรียนกับหลวงพ่อที่วัดจะดีไหมคะหรือว่าดีเท่านั้นแหละหรือว่าทำจะทําตามปกติแบบที่ทําทุกวันจริงๆหลวงพ่อไม่ค่อยสนับสนุนนะผู้หญิงนเะที่ยวไปวัดโน้นวันนี้อันตรายนะ ฝึกที่บ้านได้ดีที่สุดเลยแล้วก็ขอบพระคุณค่ะดูใจไปนะใจมีความสุขก็รู้ใจไม่สุขก็รู้นะรู้ทันใจไปด้วยการที่ให้ดู ก, กายเนี่ยเพื่อวันหนึ่งจะเห็นใจชัดนะหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์ที้ถาหลวงปู่ดุลว่าหลวงปู่ครับผมไปที่ไหนที่ไหนได้ยินครูบาอาจารย์สอนส่วนใหญ่นะสอนคนอื่นนะ พุโทโธพิจารณากายผมจะต้องย้อนไปพิจารณากายไหมหลวงปู่มองเราแบบสมเพลมองท่านบอกว่าที่เขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมดูเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วจะไปเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งแต่บางคนนี่ต้องเริ่มจากกายก่อนดูที่จิตแล้วมันจะว่างเนึกออกไหมหลวงพ่อตื่ให้ไปดูกายเพราะว่าดูเข้าที่จิตน่าจะว่างไม่มีอะไรเลยสว่างว่างอย่างเดียว อย่างไม่เดินทัญญาจิตจะติดอยู่ในความสุขความสงบเฉยๆนะต้องดูกายนะเพราะกายเนี่ยมันจะสอนให้เราเห็นเลยไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะงั้นจริตนิสัยคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างจะมาถามว่าหลวงพ่อประโมทสอนอะไรพูดยากนะก็สอนทุกอย่างเลยสอนหลักนะส่วนใครถนัดดูกายก็ดูกายใครถนัดเวทนาก็ดูเวทนาใครถนัดดูจิตก็ดูจิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน ของหนูว่าดูดูจิตไม่ได้ดูจิตแล้วจะว่างเพราะฉะนั้นต้องดูกายไว้เห็นกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดนะูแล้วที่ดีกว่าไปนั่งดูผมคนเล็บฟันหนังให้มันเครียดนะไปทางานบ้านกวาดบ้านเป็นหเออไปกวาดบ้านนะกวาดเสร็จแล้วเอาฝุ่นมาโรยใหม่แล้วกวาดอีกก อ, อทำกรรมฐานนะทำไปเรื่อยๆ ต, ตอนหลวงพ่อเป็นนักศึกษานะเคยไปบวชวัดชนประธาน หลวงพ่อปัญญาให้ไปอยู่ใกล้ๆที่เขาเก็บศพก็มีหลวงตาองหนึ่งกุติอยู่ติดๆกันหลวงตาเนี่ยนะทั้งวันเลยชันข้าวเสร็จ้วก็กวาดวัดมีแม่กวาดสองอันนะกวาดหัววัดท้ายวัดกวาดไปกวันมาส่วนหลวงพ่อเป็นพระใหม่นะก็ให้ไปนั Hollow ่งสมาธิข้างหลังวัดมันมีห้องกรรมฐานอยู่เราเห็นหลวงตากวาดวัดนะเราก็สงสารหลวงตานะเนบอกว่า หลวงพ่อครับสลภาพไปนั่งสมาธิกันดีิฝาดไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวผมจะมาช่วยกวาดบอย่างนี้นะท่านบอกว่าเฮ้ยคุณบวชชั่วคราวคุณไปนั่งฮนะเดี๋ยวผมกวาดเองแต่ น, นั่งสงสารท่านที่จริงโง่ามากเลยท่านกวาดเนี่ยท่านทํากรรมฐานทั้งวันเลยเราไม่รู้หรอกที่ว่าทำกรรมฐานนะต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมคือเราไล้เดียงสาขนาด น, นั้นนะเพรา ะ, ะนั้นหนูไปกวาดบ้านไปซักผ้าด้วยของเราหมดแล้วซักของคนอื่นแถม เห็นร่างกายมันทางานไปนะเขาอากาศคะ่ะหลวงพ่อก็หลว ง, งพ่อก็สอนดมเยอะมากแล้วนะคะก็ <c oughs> ก็เจริญก็ภาวนาอยู่นะคะแต่ก็ยอมรับว่าบางทีมันไม่ต่อเนื่องก็ถ้าเจอหลวงพ่อบ่อยๆก็จะต่อเนื่องดีแต่ไม่มีอากาศแล้วก็บางทีฟังซีดีก็ช่วยได้เยอะคะ่ะแต่บางทีก็หลงไปเยอะที น, นี้ก็ ภาวนาไปเรื่อยไม่ทราบว่าตอนนี้หลวงพ่อจะแนะนําอะไรยมบ้างคะใช่มันไม่มีแรงนะกําลังไม่พอต้องทําในรูปแบบช่วยมันแล้วละยังทํางานอยู่ด้วยไม่ทําค่ะเพราะนั้นมีเวลาเยอะน ะ, ะพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันก็อย่างดีแล้วค่อยรู้ทันจิตไปให้จิตมีเครื่องอยู่ให้มันเด็ดเดียวไปนะหรือสวดมนต์ในใจเราสั้นๆก็ได้ยมรู้ว่ายมยังงงบางที มันหลงไปก็รู้ค่ะคือจริงๆคือโดยจริตนิสัยนะมันช่างคิดคมันจะคิดวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์วิภาคกันเลยตลอดน ะ, ะแจมจะฟุง้งเราะฉะนั้นเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะพูดโธอะไรก็ไดนะ้แล้วคอยรู้ทันจิตไปกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากก็คือการดูจิตตัวเองนี่ไปลี่ยนหลายกรรมฐานเกินมันก็เลยยุ่งแต่ไปนี้เอาอันเดียวเลยรู้ทันจิตไปรู้จักคุณแม่จันดีไหม ค่ะคุณแม่ันทีสอนโยมให้ตอนที่เจอกันที่วัดป่าบ้านตาดครั้งแรกสอนให้ภาวนาพุทโธที่จิตแต่แต่โยมเหมือนกับเดื้อค่ะแล้วก็พอภาวนาแล้วบางทีมันไม่ชอบแต่พอมานั่งกรรมฐานเองตามที่อ่านจากหลวงปู่ดูลสมัยก่อนตอนเมื่อปีปีสีหนึ่งสีู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะดูลมหายใจจะเข้าสมาธิไวภายในไม่เกินเดือนหนึ่ง ฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็อ่านหลงปู่ดูแล้วก็เข้าสมาธิได้แต่ว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ยอมรู้ว่าปัญหาคือสติอ่อนมากจิตมันไปนติดนิ่งติดเฉยด้วยนะนั่นแหะค่ะปัญหาแต่ว่ารู้ตัวอยู่เวลาเมื่อก่อนนี้เวลารู้สึกตัวเนี่ยจะจะจ ะ, จะเบาแล้วทั้งนั้นชอบหายใจก็หายใจเอาแต่ไม่ได้หายใจให้สงบน ะ, ะเปลี่ยนซะหายใจแล้วรู้ทันจิตไปเนี่ยคุณแม่จันดีเจอหลวงพ่อนะแล้วก็ถามหลวงพ่อ ท่านอาจารย์ภาวนามาแบบไหนจิตมาลงที่เดียวกันถ้าว่างี้นะอาตมาก็บอกท่านว่าอาตมาหายใจนะพอลมมันดับนะกลายเป็นแสงจิตหยุดรู้อยู่ที่แสงนะแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ท่านบอกท่านนั้นก็หลักเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมท่านใช้พุทโธหลวงตามหาบัวสอนท่านพุทโธกําหนดไว้ที่นี้พุทโธพุทโธพุทโธจิตนี้เรารู้จิตนี้เรารู้ตรงที่จิตนี้เรารู้นี่แหละเกิดสมาธิที่ถูกที่เอามาบอกพวกเราเนี่ย เพราะเราไม่รู้หลักอันนี้พุโทโธก็เป็นพุโทโธนกแก้วนกขุนทองไปไม่ได้กินหรอกพุโทโธแล้วต้องรู้ทานจิตเอาหายใจแล้วก็รู้ทานจิตเอาจิตถึงจะตั้งมั่นมันแปลกตรงที่ว่าเมื่อก่อนจะไม่มั่วนะคะหลวงพ่อโดยธรรมชาตินะเมื่อก่อนไม่มั่วเลยรู้สึกว่าจะพอหลงรู้หลงรู้หลงรู้รแต่ตอนหลัง ม, ม, ม, มันมั่วมันมั่วคือเอ๊ะเดี๋ยวจะจะพุโทโธเอ๊ะเดี๋ยวจะ เมตตาคุณเอาหัางเอาให้มันเด็ดเดี่ยวมันทําไมเหมือนกับคนมั่วมากเลยแต่ก็เห็นว่าเวลาที่มันเคลื่อนน่ะก็เห็นมันมันไม่ใช่เราอ่ะมันทําอะไรมันทําอะไรไปเรื่อยเจื่อยเห็นมันแล้วก็รู้ว่าอุ้ยอะไรไม่ไดแต่ต้องเห็นด้วยใจที่แข็งแรงกว่านี้หน่อยะตรงนี้คือจิตตรงนี้โยมติดตรงนี้มากนะคะหลวงพ่อช่วงเนี้ยจะให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปทำความประทานสักอย่างหนึ่งนะแล้วรู้ทันจิตไปด้วยถ้าทําได้สักช่วงหนึ่งจิตจะเกิดแรงขึ้นมา เห็นไหมเห็นไหมใจจะลำพึงลำพันเห็นไหมมันจะเริ่มลำพันนะดูออกไหมดูออกค่ะอย่าไปยอมมันยิ่งลำพันยิ่งยิ่งถูกหรอกนะไอตรงกระมังานอะไรเนี่ยค่ะสิ่งที่เหมือนกับสัตว์เห็นไหมตัวอะไรอ้าปากเห็นค่ะดูกายไปรู้สึกไหมมันชัดกว่าดูจิตใช่ค่ะทําไมมันเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนดูจิตอยากรู้ไหมค่ะทนคําตอบได้ไหม ได้หลวงพ่อเคยว่าตาของคนดีมาแล้วค่ะคือโดยวัยเนี่ยเพราะอายุเยอะขึ้นนะจะมานั่งดูจิตเจะดูไม่ได้หรอกสมองมันเสื่อมเข้าใจค่ะเพราะโยมนั่งสมาธิไม่ได้แล้วเอต้องลืมตาทําสมาธิแล้วหลับไม่ได้เลยพอหลับตาไปเลยหลับก็หลับจริงๆใช่ค่ะถึงเวลาหลับไม่หลับถึงเวลาตื่นก็หลับ โอ้จะเป็นอย่างนั้นนะโดยไวอะแต่ยอมรับนะคะหลวงพ่อนั่งไม่ได้แล้วแปลว่าตอนนี้ต้องมาดูกายใช่เห็นไหมดูกายแล้วชัดขึ้นชัดค่ะเ อ, อแล้วก็ดูตัวไหนชัดก็ดูตัวนั้นมีน้ามันถึงมั่วมากเพราะว่าเมื่อก่อนดูจิตอะไรอย่างเงี้ยนะพอตื่นขึ้นมาก็นึงนี้ต่อแลตาปลือดดูกายดูกายชัด เห็นมกายกับใจแยกออกจากกันแล้วอันนี้เห็นมานานแล้วค่ะหลวงพ่อนั่นแหละถูกกายไปแล้วเห็นมันแยกกันไปเรื่อยเรยเห็นขันทํางานมันก็เห็นนะคะหลวงพ่อแต่มันมันดื้อไม่ยอมไม่ยอมก็ช่วยไม่ได้นะถึงเวลาต้องทําแล้วล่ะช้ากว่านี้ไม่ทันนะหลวงพ่อมันทําไมมันดื้อมากมันเห็นแล้วว่ามันดื้อตลอมันสะสมเมื่อหมื่นปีก่อนก็ต้องดื้อย่างนี้แหละหมื่นปีเนี่ยคนไม่ค่อยเปลี่ยนนะในเวลาเพราเราดื้อมาแต่ไหนแต่ไรมันก็ต้องเป็นอย่างเนี้ย ไหนๆมันดื้อมามากแล้วนะเอาความดื้อมาสร้างเป็นความเข้มแข็งโ อ, อ้ต่อไปนี้จะดื้อกับกิเลสแล้วไม่ยอมมึงแล้วอย่าดูมึงทุกวันเลยดูกายทั้งวันเดินจงกรมดีกว่านะคะถ้าอย่างนั้นนั่งก็ได้เดินมากแก่แล้วเหมือนเมื่อย <c oughs> นะหาพัดมาสักอันนั่งพัดไปค่ <c oughs> นะหลวงพ่อเพราะตอนนี้สงสัยว่าทําไมมันกลับไปดูจิตไม่ไม่ไม่เร็วอื <c oughs> ขอบคุณเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อ อายุเยอะขึ้นน่ยต้องดูกายช่วยดูจิตอย่างเดียวไม่พอละกลารนวัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้มันก็เป็นกลางต่อการปรงแต่งมากขึ้นเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็อย่าไปบังคับมันแค่ละกันค่ะสังเกตไหมตอนนี้จิตเราอยู่ถึงฐานไหมช่วงนี้ไม่ค่อยถึงค่ะจิตอยู่ข้างนอกค่ะเห็นไหมเราเห็นว่าจิตเราอยู่ข้างนอกก็รู้ทันแจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตมาอยู่กับหลวงพ่อรู้ทันนะรู้ทันได้ได้ อย่าให้มันเกิดกายมารู้สึกถึงร่างกายไปถ้ามันออร่องลอยมากนะกลับมาที่กายไปเข้ามาที่กายได้พอมีแรงมันจะเข้ามาที่จิตร่างกายเหมือนบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านเราหาเจ้าของบ้านไม่เจอเรามาเฝ้าบ้านไว้ก่อนเดี๋ยวก็เจอเจอขันธมารเยอะมากหลวงพ่ อ, อ ม, มันทรมานมากค่ะภาวนา ย, ยากแต่ก็ ไม่กลัวตายค่ะเพราะว่าเป็นทุกอย่างหลายโลกมากอืมแต่หนูก็พอพูดถึงว่าความไม่มีอยู่จริงปุ๊บเนี่ยจิตมันยอมอืมันยอมต่อการที่จะไม่ไม่กลัวตายอืมันยอมอนัตตาค่ะใช่ไม่ชอบอนัตตาตัวอื่นไม่ลงหรอกงั้นดูมุมของอนัตตา้วยนะกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราดูไปเลยบังคับไม่ได้แล้วก็บางอย่างกับสิ่งที่ว่าชีวิตทางโลกที่ ที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมันวางลงมันยอมค่ะแล้วก็ไม่เอาแต่มันยังยอมแบบเจ็บแค้นนะยังมาหลอกเลยต้องเอาใหม่แล้วค่ะหลวงพ่อต้องดูใหม่ดูให้ทุกู้รู้ทันทำยอมเป็นแค่ั้นยอมแบบอย่างเงี้ยให้รู้ทันเอานะค่ะอนัตตานะคะหลวงพ่อเออดูอนัตตาไปตัวอื่นเอาไม่ลงหรอกทำไมเอาไม่ลงพระปัญญาเรากล้า พวกปัญญากล้ากับพวกโทสะกล้าเนี่ยมักจะอยู่ในคนคนเดียวกันคนเนี้ยต้องดูอนัตตาขอขอบคุณหลวงพ่อเจ้าค่ากราบค่ะขออนุญาตสุด ท, ท้ายค่ะคือเป็นหัวคือเป็นคนที่เหมือนกับว่าพอท่างจะกลับมาดูกายมันจิตมันกลัวว่ามันดูแค่นี้เองเหรอแล้วมั น, นจะพอหะไหมแค่นี้แหละพอแล้วเวลาดูกายถ้าดูเป็นนะหเห็นกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดู มันจะเห็นทั้งกายทั้งใจน้าต่อไปใจสุขใจทุกข์ใจดีใจชั่วมันเห็นเองให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปนะอย่าถูกความคิดหลอกมันจะลังเลสงสัยตลอดเวลามันทำให้ภาวนาไม่ได้ตัวนีนะ้เป็นนิวรณ์ที่ทําให้ใจฟุ้งซ่านตัวความลังเลเนี่ยให้มันเด็ดเดียวลงไปเลยตายเป็นตายเลยดูกายแต่ดูกายก็ใจเป็นคนดู ยอมนาะดูไกลดูได้ถึงพระอนาคานะเรายังไม่ได้อนาคาดูไปแล้วพวกเราละผ่อนนะเดี๋ยวจะได้ไปทำงานยาถาาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานางอุปกะปะติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิชตุ สเปภูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถามณิโชติรโสยถาสพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจจังุทธาปัจายิโนจตาโรโธรมาวัันตีอายุวันโนสุขังพระลัง แถมนิดนึงนะคือโอกาสที่เราจะเจอกันเนียมันไม่มากหรอกนะถ้าเราไม่ค่อยได้เจอกันเนียช่วยตัวเองนิดนึงฟังซีดีนะหรือฟัง u t u b e ก็ได้ไม่ใช่เพื่อใครทางเส้นนะแต่เราจะเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาสั้นไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการที่เราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเลยเรเป็นชาวพุทธแต่เปลือกกันหรือเป็นพุทธแต่พิธีกรรม เรียนธรรมะนั่งสมาธิก็นั่งเป็นพิธีกรรมไม่รู้ว่าทํำไปเพื่ออะไรไม่รู้เหตุรู้ผลนั่นมันเราจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่จากการเป็นชาวพุทธมันช่วยตัวเองนะไปฟังหน่อยไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม่ได้อ้อนวอนมาขอเงินอะไรทนะั้งสิ้นนะก็ขอให้ฟัง <c oughs> ไปละนะไปบาย